อ่ะงั้นก็วันนี้เดี๋ยวต่อในสภาศสวะสามวรสูตรหรือสภาสวะสูตรในสภาศสวะสูตรเมื่อวานพูดถึงในเรื่องของทัศนะก็คืออาสวะที่พึงละได้ด้วยการเห็นที่ละได้ด้วยโสดาปฏิมา ก็คือโสดาปฏิมาหมายถึงมรรคขั้นแรกที่เกิดขึ้นในขณะที่บรรลุเป็นพระโสดาบันทีนี้โสดาปฏิมาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยโสดาปฏิมา ก, ก็จะเป็นละทิฏฐิที่เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นอย่างมั่นคงว่าอัตราของเรามีอยู่หรือทิฏฐิที่เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นอย่างมั่นคงว่าอัตราของเราไม่มีในประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นทิฏฐิหอย่าง ออทิษฎีหอย่างเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรก็บอกมีความสำคัญที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายเ่าเนียมีความเห็นมีความเข้าใจในขันห้าที่ผิดเพีย้ยนหรือผิดพลาดเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อย หรืออาจจะไม่นิดหน่อยก็ได้ตรงนี้นะในบรรดาทิฏฐิหกเนี่ยเออมันอย่างนี้ปุ้ดชนนั้นเมื่อมนาิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาทิฏฐิหกอย่างย่อมเกิดขึ้นคือเขาย่อมเกิดทิฏฐิหรือยึดถือเอาเป็นจริงเป็นแท้ว่าเรามีอัตตาแล้วก็เราไม่มีอัตตา เรากำหนดรู้อัตราด้วยอัตตาเรากำหนดรู้สภาวะที่ไม่ใช่อัตตาด้วยอัตราเรากำหนดรู้อัตราด้วยสภาวะที่ไม่ใช่อัตตาหรือมิฉะนั้นก็จะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตราของเรานี่แหละที่เป็นตัวบงการเป็นผู้เสวยประสบวิบากแห่งกรรมที่ดีและชั่วณนะที่นั้นๆเเนี่น <c oughs> <c oughs> ยพูดถึงเรื่อ ง, องทิฏฐิ มาจากอะไรเนี่ยทิฐิตรงนี้มาจากอาโยนิโสมรัสิการคือความเป็นผู้ไม่ฉลาดคิดหรือคิดไม่ถูกทางไม่ถูกวิธีนั้นปุถุชนที่ไม่ได้สดับก็จะมีทิฐิประเภทนี้เกิดขึ้นใช่ไหมทีนี้ที่ต้องทําความเข้าใจในขั้นพื้นฐานก่อนวันนี้อาจจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องพูดเร็วจนเกินไปเดี๋ยวการทําความเข้าใจอาจจะ เดี๋ยวจะไม่ชัดความหมายพื้นฐานของคําว่าอนัตตาและคําว่าอัตตาทําความเข้าใจให้ชัดก่อนเพราะคําว่าทิฏฐิเนี่ยมันไปนยึดถือว่ามีอัตตาใช่ไหมตัวทิฏฐิใช่ไหมตัวนี้ตัวความเห็นผิดนี่แหละมันไปนยึดนี้ก็ต้องมาทําความเข้าใจตรงกันข้ามว่าพระพุทธเจ้าสอนอยังไงพูดถึงในเรื่องของอนัตตา อนัตตาเนี่ยจะแปลว่าไม่เป็นอัตตาหรือไม่มีอัตตาหรือไม่เป็นตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นอนัตตาใช่ไหมก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่หรือเป็นไปของมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองก็คือสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มี ไม่เป็นไม่มีตัวตนที่จะครอบครองสั่งบังคับอะไรให้เป็นไปหรือไม่เป็นไปอย่างนั้นอย่างที่ตนเองปรารถนาก็แต่แปลว่ามันไม่มีตัวบงการใดๆไปสั่งบังคับหรือไปครอบครองทีนี้ในเมื่ออนัตตาเนี่ยเกิดขึ้นมาปุ๊บนี่ในคําสอนของพรุทธเจ้าพรุทธเจ้าสอนในเรื่องของคําว่าอันนี้จังทุกขังแล้วก็อนัตตาใช่ไหมอนัตตก็ปฏิเสธความเป็นอัตตา ถ้าจะเข้าใจความหมายของอนาตาัตตก็ต้องเข้าใจความหมายของอาัตตานั้นก่อนตรงนี้แหละที่มันจะไปเชื่อมโยงกับความเห็นเนี่ยอัตตาเนี่ยถ้าเรียกอย่างสันสกฤตเป็นภาษาสันสกฤตเขาแปลว่าอาตามันเคยได้ยินคํานี้ไหมเคยได้ยินไหมอาตามันก็คือตัวตนอันแท้จริงที่เป็นแก่นเป็นแกนหรือซึมแทรกซ้อนแฝงหรือโอบคุมสิ่งนั้นๆ แล้วก็บางทีก็มองว่ามันเที่ยงแท้ถาวรเนี่ยเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนยืนยืนตัวคงที่บางทีก็บอกสถิตอยู่สิงอยู่เป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองเป็นตัวผู้ทําการเป็นตัวผู้เสวยความรู้สึกต่างๆ ท, งทั้งที่สุขทุกข์หรือเฉยๆเนี่ยนะที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งอยู่เบื้องหลังชีวิตนี้ด้วย ซึ่งมีอำนาจในตัวแล้วก็สามารถที่จะบงการหรือบงังคับบัญชาสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการหรือเป็นไปตามความปรารถนานี่เขาเข้าใจว่าอัตมันหรออาตาเป็นแบบนี้อดูในาศาสนาบางพวกสอนลึกลงไปบอกว่าเบื้องหลังโลกและปรากฏการทั้งหมดเนี่ยและเหนืออัตาหรืออัตมันของสัตว์หรือสิ่งทั้งปวงเนี่ยก็มีอัตตาสูงสุดที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างโดยเห ไอ้ตัวที่มีเป็นอัตราที่สูงสุดมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยซึ่งเป็นตัวผู้สร้างและเป็นตัวกําหนดจัดสรรโดนบรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างหรือเป็นแหล่งที่มาและที่กลับเข้าไปสู่ไปรวมอยู่สุดท้ายของสรรพสิ่งในศาสนาฮินดูเขาก็เรียกว่าเป็นพรหมมันหรือปรมาตมันใช่ไหมพรหมมันหรือปรมาตมันเนี่ยเป็นอัตราสูงสุดของเขา เป็นตัวบงบันกบบ บ, บ, บ, บนดนบรรดาลด้วยเป็นตัวผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยและที่สุดจริงๆไงสรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเข้าไปรวมอยู่ในพรหมมันเคยได้ยินคํานี้ไหมหรือปรมัตตมันนี่ไม่เคยได้ยินนะลักษณะอย่างนี้เขามีความเชื่ออย่างนั้นมนุษย์หรือสัตว์หรือสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ในโลกใบนี้มันก็กลายเป็นว่ามีอัตราสูงสุดนะ ผู้มีอำนาจสูงสุดคอยดนบันดาลอย่างนี้เราก็จะเห็นเยอะใช่ไบางแห่งก็พูดถึงขนาดว่าตัวผู้สร้างนี้ทั้งหลายเหล่านี้เมื่อถึงโอกาสเขาเรียกวันอะไรวันพิพากษาวันสิ้นโลกทั้งหลายเหล่านี้บรรดากลุ่มผู้สร้างทั้งหลายเานี่ยผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องคอยมาตัดสินชีชาา้ชะตามาหยิบเอาดวงวิญญาณ น ม, มาพิจารณ า, าว่าจะให้ไปไหนอย่างนี้เป็นต้น ว, ว่าจะให้มาอยู่กับผู้สร้างหรือจะเหวี่ยงลงไปในโนรกก็คอยหยิบเนี่ยจะมีผู้พิพากษาเนี่ยแล้วก็เป็นผู้มีอัตราสูงสุดมาคอยบงการมาคอยกําหนดชะตาชีวิตของมนุษย์เอยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ก็มีความเข้าใจก็กลายเป็นสร้างตรงนี้กันขึ้นมามีเขาเรียกว่า ศาสนาฮินดูก็จะเป็นไปลักษณะเป็นตัวพรหมมันและประมัตมันทีนี้สาระสำคัญของหลักอนัตตก็คือการปฏิเสธความมีอยู่ของอัตตาที่กล่าวมาเนี่ยนะโดยสอนให้รู้ว่าอัตตานั้นเป็นเพียงภาพที่เกิดขึ้นจากการยึดถือของมนุษย์ปุถุชนเห็น ไ, ไหจริงๆอัตตามีจริงไหมแบบนี้ไม่มีไม่มีจริงแต่อัตตาเนี่ยเป็นเพียงภาพที่เกิดจากการยึดถือของมนุษย์ปุถุชน ที่ไม่สามารถมองเห็นสภาวธรรมหรือสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นแต่มนุษย์ปุถุชนคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสหรือความเข้าใจผิดเนี่ยก็ได้สร้างภาพอัตตาหรือตัวตนขึ้นมาซ้อนไว้บนสภาวธรรมภาพหรืออัตตาหรือตัวตนนั่นเองก็บดบังไม่ให้มองเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงเอาละสิทีนี้ทีนี้พอมองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอ๋อไอ้สภาวธรรมมันมีอยู่แต่เมื่อมนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย ไม่รู้ความจริงในข้ อ, อนี้ก็เลยสร้างก็เลยไปยึดถือเนี่ยไปสร้างอัตตาหรือปรมาัตามันขึ้นมาเนี่ยทีนี้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอนัตตาเนี่ยถ้าเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาปุ๊บความรู้ความเข้าใจนี้จะไปถ่ายถอนความยึดถือแล้วก็จะสามารถเข้าไปสลายภาพสลายภาพก็คือสลายอัตตาหรือตัวตนที่มันซ้อนบดบังสภาวธรรมลงไปได้ ก็ทําให้มนุษย์นั้นรู้เห็นสภาวธรรมคือสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นหรือเห็นสภาวธรรมทั้งหลายตามที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างไรเห็นไหมความรู้ความเข้าใจจึงสําคัญไอ้ความรู้ความเข้าใจตรงนี้ที่มนุษย์สามารถทําให้เกิดให้มีขึ้นมาได้นี่เขาเรียกปัญญาไอ้ตรงนี้แหละถ้ามนุษย์สามารถมนัสิการใส่ใจให้เหตุปัจจัยของปัญญาเกิดขึ้นมาได้ปัญญาก็จะไปทําลายภาพหรือมโนภาพ หรือความคิดที่ว่ามีอัตตาตัวตนหนึ่งให้สลายไปเมื่อภาพคำว่าอัตตาตัวตนสลายไปปุ๊บก็จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นตามเป็นไปตามสภาวธรรมนั้ น, น, นในความรู้ความเข้าใจเนี่ยความเข้าใจอนัตตามันถ่ายถอนความยึดถือมันสลายภาพความเป็นอัตตาตัวตนที่มันซ้อนบดบังสภาวธรรมลงไปได้เนี่ยนั้นหลักอนัตตาจะเป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจที่มองเห็นด้วยปัญญาตาม ที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นไปของมันว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสภาวะธรรมทีนี้การที่มนุษย์จะเข้าไปมองเห็นโดยความเป็นสภาวะธรรมนไสภาวะธรรมที่เป็นรูปประธรรมสภาวะธรรมที่เป็นนามธรรมก็ไปเห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นปัญญาไปเห็นอย่างนั้นแล้วก็จะมีอยู่ซึ่งมันมีอยู่เป็นอยู่และเป็นไปตามสภาวะหรือตามธรรมดาของมันของมันเนี่ย มันไม่มีอัตราหรือตัวตนอะไรเป็นแก่นหรือเป็นแกนไปนสิงซ้อนแฝงอกคุมปิดบังไว้หรือที่มันจะไปเป็นเจ้าของครอบครองหรือครอบงําบงการบังคับบัญชายขึ้นตามอํานาจของใครไม่ว่าจะอยู่ข้างในหรือจากข้างนอกโดยถ้าไปเข้าใจงี้ปุ๊บมนุษย์ก็เริ่มมีปัญญาว่วาอ๋อจริงๆไม่ว่าจะข้างในนีข้างในของกระแสชีวิตมันก็คือสภาวธรรมมันไม่มีอัตราตัวตนใดๆไปเป็นแก่นไปเป็นแก น, น, แกนหรือ ไปซ้อนสิงอยู่ใช่ไหมข้างในก็ไม่มีแล้วข้างนอกมีไหมข้างนอกมันมีตัวบงการมีตัวอัตราสูงสุดหรือมีปรมาตมันมีพรหมมันทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่เนี่ยเป็นตัวสูงสุดมาคอยคอนโทรบังคับบัญชากระแสะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไหมใช่ไหมสิ่งทั้งหลายทั้งหลายมันไม่มีแต่มนุษย์เนี่ยเมื่อไปสร้างอัตราขึ้นมาไปสร้างตัวตนขึ้นมาไปสร้างความเข้าใจขึ้นมาหรือมีมโนภาพในการไปจําลองความเข้าใจขึ้นมาปุ๊บ มนุษยก็เลยสําคัญว่าแม้ในข้างในก็ยังมีอัตตาซ้อนแสงอยู่ซ่อนซ้อนแฝงอยู่มีตัวตนซ้อนแล้วก็แฝงอยู่มีแกน่นมีแกนอยู่ก็ตัวคอนโทรลบังคับบัญชายอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง น, นี่ในชีวิตออกมาข้างนอกก็ยังไปเข้าใจว่ามันมีไอตัวนี้มาคอยมองการบังคับอยู่จะเห็นได้ว่าความหมายพื้นฐานในความเป็นอนัตตาของธรรมะทั้งปวงเนี่ยหรือของสภาวะธรรมทั้งปวงเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสังคต ธ, ธรรมคือธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งคำว่าสังคต ธ, ธรรมก็คือธรรมที่ถูกกรรมปรุงแต่งจิตปรุงแต่งอุตูุความเย็นความร้อนปรุงแต่งหรืออาหารเข้าไปปรุงแต่งได้ น, ะนี่ก็เรียกว่าสังคต ธ, ธรรมก็คือรูปน้ําขันท่าอันนี้มีปัจจัยเข้าไปปรุงแต่งได้ใช่ไหมหรื อ, อสังคต ธ, ธรรมอสังคต ธ, ธรรมเนี่ยไม่มีสภาวะคือ กรรมจิตอุตุอาหารเนี่ยเข้าไปปรุงแต่งได้ซึ่งหมายถึงพันิพานด้วยและอาศังกตรธรรมอีกอย่างหนึ่งที่เราบรัญญัติใช้สอยเพราะอันนั้นเป็นเรื่องบัญญัติมันก็ไม่มีอยู่จริงแต่ก็จัดแต่ว่าจริงๆถ้าของที่มีอยู่จริงคือพันิพานเนี่ยเป็นอาศังกัตรธรรมกรรมก็ไปปรุงแต่งไม่ได้จิตก็ไปปรุงแต่งไม่ได้แล้วก็อุตุเย็นร้อนก็ไปปรุงแต่งไม่ได้อาหารก็เข้าไปปรุงแต่งไม่ได้เพราะสภาวะธรรมเหล่านี้มีอยู่ตามธรรมดาของมันเอง นั้นไม่ว่าจะเป็นสังคต ธ, ธรรมหรืออสังคต ธ, ธรรมไม่ว่าจะเป็นสังขารหรือวิสังขารก็ง่ายๆสั้นๆเหมือนกันหมดว่าสิ่งทั้งปวงล้วนเป็นสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่เป็นอยู่ตามสภาวะหรือตามภาวะของมันและเป็นอยู่หรือเป็นไปตามธรรมดาของมันของมันทีนี้ถ้าสมมุติมีอัตรา เป็นแกนเป็นแกนแฝงซ้อนหรืออบคุมสภาวะธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่ตามสภาวะอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยตามธรรมดาของของมันไม่ได้แต่ในความเป็นจริง่สภาวะธรรมมันมีอยู่เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นจึงชัดเจนแน่แท้ว่าอัตตาไม่มีจริงมองเห็นตรงนี้ยังเนี่ยในหลักการก็คืออัตตาเป็นสมมุติไหมเป็นเออเป็นสมมติขึ้นไม่มีอยู่จริง แต่อนาตตามีอยู่จริงไหมอนาตตาก็มีจร่งก็แปลว่าอะไรไม่เป็นอัตตาไม่มีอัตตาไงไม่เป็นตัวตนหรือไม่มีตัวตนเนี่ยอนาตตาสิ่งทั้งหลายที่บอกเป็นอนาตตาทำทั้งหลายที่เป็นอนาตตาเนี่ยมันมีใช่มจริงจริงมันเป็นที่มันอยู่อย่างนั้นแหละเป็นอนาตตาสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ย ทีนี้พอเาขยายความออกไปเนี่ยจุดที่แยกกันนี้ทําให้มีรายละเอียดก็คือว่าสภาวะธรรมสภาวะของสังคตธรรมกับสภาวะของอสังคตธรรมเนี่ยหรือบรรดาสังขารและบรรดาวิสังขารเนี่ยถ้าเป็นอสังคตธรรมหรือวิสังขารที่หมายถึงพระนิพานนานพานเนี่ยวิสังขานั้นเป็นธรรมธาตุดำรงอยู่ตามสภาวะของมันมีอยู่ด้วยตามธรรมดาของสภาวะที่ไม่ได้เกิดจากปัจจัย เป็นนิสส ต, ตะนิชีวะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่เป็นของใครไม่ขึ้นต่อใครไม่มีใครกำกับบังคับบัญชาหรือควบคุมไม่มีตัวตนหรือตัวทำการที่จะไปโดนบันดาลอะไรให้กับใครๆเจอมั้ยนิพพานเป็นอย่างนี้นิพพานนี่เป็นสภาวะที่ดับกิเลสแล้วก็ดับขันห้าดับกองทุกข์ด้วยนี่ต้องทำความเข้าใจหน่อยนะเนี่ย ถ้านังง่วงๆเนี่ยจะไม่ได้จะต้องเข้าใจไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเรื่องอาจจะหนักนิดหนึง่งทีนี้ส่วนสังฆาฏธรรมคือสังขารทั้งหลายเนี่ยอันหมายถึงขันห้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ยขันห้าเนี่ยก็ชัดอยู่แล้วว่าคือทุกอย่างดำรงอยู่ในสภาวะของมันเหมือนกันมีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมดาของมัน แต่เป็นธรรมดาของสังคต ธ, ธรรมซึ่งตรงกันข้ามกับธรรมดาของอาสังคตธรรมแล้วทำไมถึงเรียกว่าตรงกันข้ามกล่าวคือว่าตามธรรมดาของสังคตธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเนี่ยซึ่ง ก, ซงก็ซึ่งก็ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครไม่มีตัวตนอะไรที่มันซ้อนอยู่อาศัยที่จะเป็นปเป็นตัวทําการในการเสพสวยสั่งบังคับบัญชาหรือมีอานาจบังคับบัญชาในขันห้านั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่ละอย่างให้เป็นไปตามความต้องการของของตนเนี่ยโดยเป็นอิสระจากการทําไปตามเหตุและปัจจัยไม่ได้ฉั้นมองอย่างนี้ปุ๊บก็จะได้เห็นว่าอขันห้ามมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมเป็นไปตามธรรมดาของมันอืขันห้าทุกขันเนี่ยทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอ เ, เนี้ยก็เป็นไปตามธรรมดาของเขา ของสังกตรธรรมแต่มันตรงกันข้ามกับอสังกตธรรมเนี่ยเพราะว่าอสังคตธรรมคือพระนิพพานเนี่ยกรรมก็ไปปรุงแต่งไม่ได้ใช่ไหมกรรมทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมไปปรุงแต่งไม่ได้จิตก็ไปปรุงแต่งไม่ได้อาหารไปปรุงแต่งไม่ได้อุตุความเย็นร้อนปรุงแต่งไม่ได้แต่ขันห้าเนี่ยกระแสะชีวิตเนี่ยกรรมปรุงแต่งได้ไหม กรรมก็คือเจตจํานงความจงใจตั้งใจเนะี่ยทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีทั้งหลายปรุงแต่งกระแสชีวิตได้ทําให้เป็นไปต่างๆได้จิตก็เป็นหนึ่งในขนันที่เขาไปสามารถไปปรุงแต่งได้อุตุเย็นร้อนก็สามารถเปลี่ยนแปลงกระแสชีวิตให้เป็นไปตามเหตุ okay, ปจัจจัยคืออุตุได้อาหารก็เข้าไปปรุงแต่งได้อา้าวกินอาหารมากๆอย่างเนี้ยกินอืดๆแ น, น่นๆกินแล้วไม่เคี้ยวกินไม่ได้พิจารณากินด้วยตัณหาปุ๊บแล้วเวลามานั่งเป็นไง อึดอัดไหมอึดอัดไหมงงมึนไหมเขาเรียกเมาเมาพัดเนี่ยเนี่ยไอ้กรณีแบบเนี้ยอันนี้แปลว่าอะไรกระแสชีวิตคือขันห้าเนี่ยมันถูกสิ่งเหล่านี้ปรุงแต่งได้แต่ในนิพพานไม่มีไม่มีสภาวะปัจจัยสี่เหล่านี้กวามจิตตัวฐารเนี่ยไปปรุงแต่งได้นี่ตรงกันข้ามกันแต่เป็นอนัตตาเหมือนกันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่มีตัวตนไปซ้อนไปสิงอยู่ที่จะเป็น ที่จะเป็นตัวทําการในการเสพเสวยหรือสั่งบังคับบัญชาและมีอํานาจในการบัญชาให้ขานห้านั้นไม่ว่าทั้งหมดนะหรือแต่ละอย่างให้เป็นไปตามความต้องการของตนเนี่ยโดยเป็นอิสระจากการทําตามหรือ ท, ทําที่ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยทําไม่ได้เลยอ้อาวเดี๋นี้ยกตัวอย่างหน่อยเวลาเราจะหิวน้ำเนี่ยเราบังคับตัวเราเองให้เดินไปกินน้ำเลยมัน จริงๆเวลาเราคิดที่จะเดินเมื่อเกิดความหิวขึ้นมาอนั้นก็เป็นไปตามสภาวะนั้นนะแต่มันไม่ใช่มีตัวบงการใดๆที่ไปบังคับไปคอนโทรแต่ว่ารู้เหตุปัจจัยว่าทําอย่างไรที่จะสามารถไปเดินไปหยิบเอาน้ําเข้ามาแล้วก็มาดื่มได้เนี่ยการรู้เหตุปัจจัยว่าจะทําอย่างไรแต่คนไปเข้าใจผิดหรือตะเลิดไปก็เป็นสําคัญว่าทุกอย่างเนี่ยมันบังคับหรือมันคอนโทรไปได้และสามารถที่จะคอนโทรให้มีการลุกการนั่งปเป็นต้นได้เราไปเข้าใจอย่างนั้น แต่ทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นไปตามกระบวนการแต่เราไม่สามารถเข้าไปรู้รายละเอียดในกระบวนการเหตุปัจจัยนั้นๆเราก็เลยไปสําคัญคิดว่าเราบังคับหรือคอนโทรลมันได้เช่นจิตที่คิดอยาลุกเนี่ยใช่ไหมก็มีกระบวนการอย่งการเกิดขึ้นสืบต่อกันจิตชวาวยโยธาเนี่ยที่พัดผันไปตามอวัยวะเนี่ยให้มีกระดจักายนี่มีการลุกขึ้นมาเนี่ยก็มีกระบวนของธรรมะก็คือดินน้ําไฟลมทั้งหลายพัด พันไปอย่างไรที่ทําให้มีการเคลื่อนไหวยาบดมีการยืนขึ้นและจิตที่คิดจะเดินต่อเป็นอย่างไรนีก็มีกระบวนการแห่งการก้าวไปข้างหน้าเนี่ยอาการที่ก้าวไปข้างหน้าก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างไรเนี่ยและด้วยด้วยสภาวะของจิตที่คิดจะเดินจิตที่คิดจะหยิบจิตที่คิดจะตักน้ําจิตที่คิดจะยกมาเนี่ยมันจะมีกระบวนการธรรมะกระบวนการของเหตุปัจจัยมันสืบต่อกันเป็นไปตามลําดับ มันไม่ใช่เป็นการคอนโทรแล้วให้มันเป็นไปตามปรารถนาอย่างนั้นไม่ไม่ใช่ถ้าหากก็ไม่รู้เหตุปัจจัยไม่สามารถทําได้เลยนะีหรือว่าเหตุปัจจัยบางอย่างมันเกิดขัดข้องขึ้นมาทําไม่ได้เลยเช่นอยากจะกินน้ําอยากจะลุกไปตักน้ําแต่แต่กระบวนการธรรมะเนี่ยมันติดขัดขึ้นมายกตัว อ, อย่างเช่นเป็นเอามาพึกเอามาพาดอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้เลยจะอยากแทบตายยังไงเพราะเหตุปัจจัยมันไม่พร้อม มันมีอะไรมาขัดมาขวางขึ้นมาเนี่ยการที่จะลุกไปตักน้ําเพื่อจะดื่มมากินมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นไปตามกระบวนการของเหตุและปัจจัยแต่มนุษย์รู้ไหมถ้าไม่รู้รายละเอียดเหล่านี้ก็เลยสําคัญทึกทักว่าเป็นอัตราตัวตนตัวตนเองบังคับบัญชาวงการมีแก่นมีแกนหลักในตัวเนี่ยไปสิงอยู่ภายในบ้างภายนอกบ้างเป็นผู้บังคับบัญชาก็เลย มนุ่งผก็เลยสร้างสมมุติขึ้นมาจริงอย่างนี้เป็นต้นพอเข้าใจอย่างนี้นะว่าเพราะอะไรเอาความหมายที่อธิบายในทั้งคําว่าอนัตตาเนี่ยความไม่เป็นไม่มีตัวตนเนี่ยถ้าสั้นๆจริงๆสับนี้มาจากคาว่าที่บอกเป็นอนัตตาไม่เป็นไปไม่เป็นไปในอํานาจหรือไม่อยู่ใต้อํานาจ ใครจะเรียกร้องหรือสั่งบังคับให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ตามความปรารถนาของตนเองไม่ได้สำนวนเก่าๆเขาบอกไม่อาจได้ตามความปรารถนาของตนนี่นะไม่อาจได้ตามความปรารถนาของตนอตรงนี้ดูความหมายคําว่าหน้าตาตรงนี้เห็นชัดขึ้นนิดนึงนะว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของคําว่าตัวตนเนี่ยอัตตาเพียงในลําดับสมมุติต้องเข้าใจก่อนว่า อ้าสมมติสมนณะบอมสมมติท่านในเนี่ยอันเนี้ยระดับสมมุติอย่างเงี้ยตั้งชื่อจะตั้งชื่อทางพระก็เป็นคันติพโลสมัยนึงเนี่ยนี่สมมติกันขึ้นมาเพื่ออะไรสมมุติเหล่านี้เพื่ออะไรคือเรียนถูกครับเออเอาเรียกขานแล้วก็ทําการทั้งหลังโดยไม่สับสนเนี่ยไอ้คาว่าตัวตนตรงนี้มีอยู่สมมุติยังมีอยู่เนี่ย ว่าอ่านิชื่ออะไรชีวิตเนี้ยคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรก็ตั้งชื่อกันไปแล้วก็ให้ตำแหน่งให้หน้าที่อะไรคนว่ากันไปไอ้ตัวสมมติพอมันทับซ้อนกันขึ้นมามากๆเป็นยังไงมนุษย์ก็ไปหลงกันไปพอไปหลงขึ้นมาก็เลยเป็นสำคัญว่าไอ้สมมุติจะเป็นของจริงพอไปเข้าใจว่าสมมุติเป็นของจริงขึ้นมาอะไรตามมาทนี้เข้าใจผิดไหม เนี่ยก็คือเป็นเรื่องสมมุติสัจจะไม่ถือว่าเป็นของจริงแท้ดูพุทธพจน์พุทธเจ้ากล่าวว่าคือไม่ถือว่ามีอัตตาเลยนะบอกว่าดูก่อนเสนิยะศาสนานี้ใดทั้งในปัจจุบันก็ไม่บัญญัติอัตตาโดยวความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้และในเบื้องหน้าก็ไม่บัญญัติอัตตาโดยวความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้ นี้เรียกว่ า, าศาสดาผู้สัมมาสัมพุทธะใช่หไหมฉะนั้นพระผู้เปียพาคเจ้าเนี่ยนี้ได้ทั้งในปัจจุบันนะก็ไม่บัญญัติอัตราโดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้แม้ในเบื้องหน้าที่จะมาตัสรุพระเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติอัตราโดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้แต่บัญญัติอัตราสมมุติขึ้นมาเพื่อให้ เป็นการสื่อสารกันจะได้รู้และเข้าใจจะได้สื่อสารกันถูกทําการใดๆได้โดยไม่สับสนมองออกไหมใครตาใช่เป็นคนนี่เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธศาสนาจึงไม่ได้ปรารถนาจะพิจารณาหรือไม่ได้ไม่ได้ยกเป็นข้อที่จะพิจารณาว่าอัตามีหรือไม่มีนะ เป็นอัตราหรือไม่เรียกว่าไม่ต้องพูดถึงในเรื่องอัตราเลยว่างั้นในแง่ในระดับปรมาตาจารย์เลยนะนั้นถ้าด้านของปรมาตาจารย์ปุ๊บเนี่ยอัตราเนี่ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วดูพระพุทธพจน์บุคคลผู้มีความเห็นถูกต้องคำวิฐิสัมปันโนหมายถึงพระโสดาบันเมื่อสักครู่ในสภาสวัาสดิวรสูตรเนี่ยหรือสภาสวาสูตรสูตรที่ว่าได้กาลละอัสวะานี่ย โดยเฉพาะทิฏฐาสวะหรือทิฏฐิใช่ไหมดงันะ้บนบุคคลที่เป็นพระโสดาบันที่เป็นทัศนะปะหาตภะธรรมะอะทัศนะเนี่ยคือการเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงมีปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจนสามารถตัดตัณหาโดยเฉพาะทิฏฐิได้หมดแล้วเป็นผู้ไม่อาจจะเป็นไปได้ที่จะยึดถือธรรมะใดๆว่าเป็นอัตตาอันี้ชัดเลยดังนั้นแค่ว่าเป็นพระโสดาบันปุ๊บขึ้นมาเนี่ย ไม่ย de, de de, di, si ึดถือธรรมะใดๆว่าเป็นอัตตาตัวตนเลยก็แปลว่าไม่สามารถจะไม่ไปยึดเลยเพราะปัญญาเข้าไปรู้ไปเข้าใจว่าอัตตาไม่มีแล้วจะไม่ไปยึดรูปธรรมว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนไม่ไปยึดเวทนาว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนแล้วไม่ไปยึดสัญญาว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนแล้วไม่ไปยึดสังขารด้วยความเป็นอัตตาเป็นตัวตนแล้วและไม่ไปยึดวิญญาณด้วยความเป็นอัตตาเป็นตัวตนแล้วเพราะอะไรพระโสดาบันเนี่ยซึ่ง เข้าถึงทิฏฐิสัมปันโนก็คือสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิสมบูรณ์ด้วยความเห็นเข้าถึงปัญญาที่ถูกต้องแล้วเนะี่ยเพราะอะไรท่านจึงไม่ยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณหรือกระแสชีวิตโดยความเป็นอัตตาตัวตนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระโสดาบันทําลายสักยทิฏฐิหรือตัวมิจฉาทิฏฐิได้หมดแล้วใช่ไหมดังนั้นความสําคัญว่าเป็นอัตตาตัวตนจึงไม่มีกับพระโสดาบัน เอาว่าถือว่าบรรดาธรรมะสูงสุดสมมุติถ้าเป็นถ้าบรรลุธรรมะสูงสุดถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องมานึกถึงอัตตาอีกเลยพระพุทธเจ้าตรัสถึงพระอรหันต์ว่าเป็นอัตันเชโหอัตันเชหาก็แปลผู้ละอัตตาหรือทิ้งอัตตาแล้วแล้วก็ละการยึดถืออัตตาหรือเลิกเขียนว่ามีอัตตามีตัวตนหมดแล้วเนี่ยฉะนั้นพระอาหารหันต์ทั้งหลายจึงบอกว่า จึงมีความหมายอย่างหนึ่งว่าอตังปหายะอนุปาทิยาโนแปลว่าละอัตตาแล้วไม่ยึดถือมั่นอะไระไรนี่ได้ข้อสรุปตรงนี้แล้วว่าในพระธรรมที่เราได้เรียนกันบ่อยก็ในพุทธพจน์เจอบ่อยมากที่จะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังคต ธ, ธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานิพพานและบัญญัติเป็นอนัตตาวินิจฉัยมีอยู่ดังนี้ถ้า ต, ตามอย่างนี้ก็คือว่าอัตตาจะไม่มีจริงแต่การยึดติดในอัตตามีอยู่จริงไหมมีไม่มีดังนั้นการยึดติดในอัตตามีอยู่จริงและมันก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นกันอยู่พระพุทธศาสนาจึงมุ่งปฏิเสธอัตตาที่เขายึดถือกันอยู่ คือมุ่งให้คนละเลิกการยึดติดยึดมั่นถือมั่นที่เขาจมแล้วก็โวกวนแล้วก็จมกันอยู่นั้นพระพุทธเจ้าก็เน้นตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าอัตตามันไม่มีอยู่จริงแต่เมื่อบุคคลเนี่ยไม่เกิดความรู้ไม่เกิดความเข้าใจก็เลยไปยึดว่าอัตตามันมีอยู่จริงนี่เป็นอย่างนี้ในพระพุทธศาสนา การยึดติดในอัตตาเนี่ยหรืออัตตาที่มีอยู่ด้วยการยึดมั่นถือมั่นของคนทั้งหลายนั่นเน่ยต้องสลัดต้องทิ้งต้องละให้ได้พระพุทธเจ้าก็เลยสอนว่าให้คนละเลิกการยึดติดยึดมั่นถือมั่นในอัตตาเพื่อจะถอนความยึดมั่นถือมั่นก็จะจบเรื่องหมดภาระก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดกันอีกใช่ไหม พ, พุทธเจ้าเลยสอนเรื่องขันห้าคือรู ป, ประขันเวรนาสัญญาสังขารวิยาณว่าเป็นอนัตตาแล้วก็จบเรื่องอัตตาเนี่ย ทีนี้อสรุปสรุปก็คือว่าการไม่การว่าสิ่งทั้งหลายเน่ยสิ่งทั้งายสิ่งที่คนทั้งหลายก็ยึดถือกันอยู่หรือสามารถยึดถือได้ว่าเป็นอัตราก็คือยึดถืออะไรยึดถือสังขารก็คือแค่ขันห้านี่แหละ ปุดชนคือคนทั่วไปรู้จักและเข้าใจคิดนึกถึงอะไรก็อยู่ในขอบเขตของขัน5ไม่สามารถจะคิดเลยออกจากขัน5ไปได้หรือถ้าจะคิดถึงอะไรก็คิดถึงแค่สีบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างผลิภัแล้วก็อารมณ์มันก็วนๆอยู่แค่ขัน5้าในวนๆอยู่ในกระแสชีวิตนี่ สีที่สวยและไม่สวยเสียงที่เพลาะหรือไม่เพลาะกลิ่นที่หอมหรือไม่หอมรสที่อร่อยหรือไม่อร่อยสัมผัสที่นิ่มหรือไม่นิ่มทำอารมณ์ที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจก็วนๆอยู่แค่นี้บรรดามนุษย์บุริชนทั้งหลายจึงไม่สามารถคิดอะไรที่มันเลยจากขันห้าหรือเลยจากอารมณ์หกเหล่านี้ไปได้เลยมันก็วนๆอยู่เพียงแค่นี้เองติดตันไหมเนี่ยมันคิด ม, มันอยู่แค่นี้เองแล้วก็ถูกกลับดัก คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑและทำอารมณ์เนี่ยล้อมอยู่เป็นอคอกล้อมอยู่ก็ไม่สามารถจะออกจากความคิดเหล่านี้ไปได้นี่ก็เรียกว่าถูกสภาวะเหล่านี้ยปิดล้อมอยู่ทีนี้จะไม่ขยายในรายละเอียดค่อนข้างค่อนข้างที่จะเยอะนะถ้าขยายทั้งหมดเนี่ยแต่เดี๋ยวให้ให้เข้าใจตรงนี้ก่อนประเด็นของการว่าความหมายของคํ า, าว่าอาตาัตนาตาเนี่ยใน ในคำสอนพูดถึงเช่นในภาพบาลีที่บอกว่าอาศัยเครื่องไม้เถาเชือกดินฉาบและย่ามุงมีช่องว่างแวดล้อมย่อมเรียกกันว่าเป็นเรือนแม้ชั้นใดอาศัยกระดูกอาศัยเอน็นอาศัยเนื้ออาศัยหนังก็มีช่องว่างแวดล้อมอยู่ย่อมเรียกกันว่าเป็นตัวคนเป็นสัตว์ฉะนั้นเข้าใจ เนี้ยที่เรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยเป็นรูปเนี่ยก็ต้องอาศัยอะไรเนี่ยอาศัยกระดูกมันมีกระดูกเป็นแกนอยู่ใช่ไหมอาศัยเอ็นรัดลึงไว้แล้วก็มีเนื้อปิดอยู่แล้วเอาหนังหุ้มแล้วก็มีช่องว่างเล็กๆๆๆอยู่เนี่ยก็เลยเรียกกันว่าเป็นตัวคนเป็นรูปเช่นั้นเนี่ยเหมือนกันถ้าหากเราบอกว่าอาศัยเครื่องไม้ล้อม ดินอะไรกว่าไปดินฉาบหญ้ามุงหรือว่าเป็นสังกะสีในยุคปัจจุบันเนี่ยมีช่องว่างแวดล้อมเป็นประตูหน้าต่างก็เรียกกันว่าเรือนเรียกว่าบ้านใช่ไหมอันนี้ใช่สมมุติไหมเนี่ยสมมติที่เรียกว่าคนเนี่ยสัตว์คนเนี่ยสมมติไหมแต่อาศัยอะไรล่ะอาศัยกระดูอาศัยเอน็นอาศัยเนื้ออาศัยหนังนะแล้วก็มีช่องว่างแต่ละจุดช่องว่างก็หูบางจะมูกบ้างปากบ้า ง, าางทวารหนักทวารเบาแลช่องว่างเล็ก ๆ, ๆ, ๆทั้งหมดเลยเนี่ย ก็เรียกว่าสัตว์คนเนี่ยทีนี้มารถามวาชิลาภิกษุณีบอกว่าสัตว์หรือตัวบุคคล น, นี้ใครสร้างผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหนสัตว์เกิดแต่ที่ไหนสัตว์ดับณที่ไหนนมารถามวาชิราภิกษุณีพิกษุณีบอกว่านี่นมารท่านเชื่อหรือว่าเป็นสัตว์เป็นตัวบุคคลท่านมีความเห็นอย่างนั้นหรือ แล้วก็บอกนี้คือกองแห่งสังขารล้วนๆจะหาตัวสัตว์ในนี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเมื่อประชุมส่วนประกอบด้วยกันย่อมมีศัพท์เรียกว่ารถชั้นใดใช่อาศัยองค์ประกอบทั้งหลายรวมกันเนี่ยก็เรียกว่ารถเมื่อขันกองแห่งรูปธรรมและกองแห่ง น, นามธรรม ท, ทั้งหลายมีอยู่ก็สมมติเรียกว่าสัตว์ชนนั้นแท้จริงทุก คือสภาพที่ไม่คงตัวเท่านั้นเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่และทุกเท่านั้นเสื่อมสลายไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับแล้วก็พระเสสาภิกษุณีก็ตอบว่าร่างนี้ไม่มีใครสร้างตัวนี้ไม่มีใครบันดาลอาศาัยเหตุมันก็เกิดมี เพรเห็ดสลายมันก็ดับเหมือนละลายเหมือนเมล็ดพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาหว่านในนาอาศัยรสในแผ่นดินและยางในเมล็ดพืชทั้งสองอย่างนั้นก็ย่อมงอกงามขึ้นได้ชั้นใดก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันประดาขันรูปประคันเวรนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญาณประดาธ า, า, า, าตนะุทั้งหลายอาญาตนะทั้งหกตาหูจมกูกเล่นกายละใจเหล่านี้มารวมกันอยู่อาศัยเหตุย่อมเกิดมีอยู่และเมื่อเหตุสลายก็ย่อมดับ ้ตรงนี้ไม่ขยายให้ไปเยอะแต่ว่าให้ทาความเข้าใจต่อในเรื่องของำว่าอัตตาหน้าตาก่อนเนยนะเออเมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของปุรชนเนี่ยมันกสิการโดยไม่แยกคายทิฏฐิ6อย่างก็เกิดขึ้นในสภาสวั ส, ะวะสตูเนี่ยอันนั้นหมายถึงปุรชนที่ไม่ได้สดับปุรชนผู้มืดบอดทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ใกล้ควรไม่ได้พิจารณาเนี่ยถ้ามองนี้ก็คือ เป็นตัวตนที่สมมุติขึ้นมาลอยๆไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนการธรรมะอะไรหรอกเพราะมันไม่มีอยู่จริงใงที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยทีนี้ความยึดถือเป็นตัวเป็นตนนั้นเป็นปัจจัยฝ่ายอากุศลก็ลคือไม่เกิดกูลเพราะเกิดจากอวิชาคือความไม่รู้เนี่ยไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่แหละแล้วเกิดขึ้นอาการที่แทรกเข้ามาขัดขวางกระแสคือทั้งที่ไม่แก้ไขเหตุ ป, ปัจจัยก็จะไม่ยอมให้เป็นไปต่างๆงเป็นตน้น ทีนี้ความยึดถือเนี่ยในความยึดถือโดยความเป็นอัตราตัวตนเนี่ยยึดติดสมมุติเนี่ยถือมั่นในตัวตนที่สมมุติขึ้นว่าเป็นจริงเป็นจังก็จะถูกความยึดติดถือมั่นนั่นแหละบีบคั้นกระทบกระแทกเอาก็ทําให้ได้รับความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเป็นต้นถ้าหากว่าใครสามารถเจริญปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจาขึ้นมารู้เท่าทานสมมุติไม่ยึดติดถือมั่นในตัวตนก็จะมองเห็นสภาวะธรรมที่เป็นไปตามเหตุ ป, ปัจจัย เน่ยมื่อมองเห็นสภาวะทำไปตามเหตุปัจจัยปุ๊บเวลาเขาสมมุติเรียกขานสภาวะใดๆอย่างไรก็รู้เข้าใจเรียกขานไปตามนั้นแต่เมื่อต้องการอย่างไรก็แก้ไขและกระทําการไปตามเหตุปัจจัยที่ถูกต้องอันนี้ไม่ลหลงไหลนะไม่ให้ความอยากหรือความยึดเนี่ยมาเป็นเครื่องบีบคั้นตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปได้รับทุกขทรมานจากความยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่ารู้จักใช้สมมุติให้เป็นประโยชน์ โดยการทําให้สําเร็จด้วยปัญญาที่อย่างถึงความจริงแห่งเหตุปัจจัยตลอดถึงทั้งอีกด้านหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องประสบความทุกข์จากภัยจากความยึดมั่นถือมั่นที่ไปติดสมมุตินั้นด้วยโอถ้าหากเจริญปัญญาได้อย่างนี้โอ้สุดยอดแล้วใช่ไหมไอตัวปัญญาที่สามารถเข้าไปวิจัยแยกแยะสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงหรือตามที่มันเป็นได้เมื่อรูปธรรมเนี่ยก็สามารถไปเจาะ ลึกเข้าถึงรูปธรรมทั้งดินน้ำไฟลมตลอดถึงรูปที่อาศัยที่เรียกอุปาทัยรูปเนี่ยมีจักขุรคุา萨เป็นต้นเหล่านี้ก็จะสามารถไปเข้าใจว่านี่คือกลุ่มรูปธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างไรมีกรรมปรุงแต่งอย่างไรมีจิตปรุงแต่งอย่างไรมีอุตุแล้วก็มีอาหารเข้าไปปรุงแต่งรูปธรรมนั้นอย่างไรส่วนในนามธรรมไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสุขทุกข์ไร้เฉยเฉยนี่เป็นส่วนของเวทนาธรรม อันนี้ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนะสัญญาคือความจําในสีเสียงกลิ่นรสก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยสังขารก็คือสภาพจิตที่เป็นกุศลอกุศลทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยแลแต่โยนิโสอายโยนิโสเขาจะสามารถเกิดเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ส่วนวิญญาณมีจากวิญญาณเป็นต้นก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อมนุษย์เนี่ยสามารถรู้กระบวนธรรมะนี่นะสาภาวะธรรมเหล่านี้ตามที่มันเป็นอย่างนี้ มันก็จะไม่ติดสมมุตินะ ไ, ไอ้ตรงเนี้ยการที่จะไม่ติดสมมุติตรงเนี้ยเวลาจะแก้ไขทําการใดๆก็จะทําการนั้นๆเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็จะไม่เข้าไปถูกกระทบกระทั่งไปดีใจเสียใจใดๆก็จะไม่เกิดขึ้นความยึดติดทั้งหลายก็จะไม่เกิดจะไม่เข้าไปแทรกไปขวางแต่มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยการไม่รู้กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยเหล่านี้กระบวนของกระบวนการแห่งรูปธรปรมและนามธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็เลยเกิด ประสบทุกโทษภัยจากความที่ไปยึดติดในสมมุตินั้นนั้นนั้นการยึดติดสมมุตินั้นนั้นเหล่านี้เขาเรียกเป็นยึดติดว่ามันมีอัตตามันมีตัวตนมันมีเรามันมีเขา ม, มีหญิงมันมีชายพอเข้าไปยึดอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยไม่ทําการทั้งหลายไปตามเหตุปัจจัยตามตามสมควรที่จะเป็นก็เลยแก้ปัญหาหรือว่าไปจัดการปัญหาด้วยความรู้สึกชอบและไม่ชอบเนะย ด้วยการที่ไม่รู้เพราะไม่ได้พัฒนาปัญญาเข้าไปรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นทีนี้ในความยึดติดในตัวตนน่ะที่ก่อผลร้ายน่ะหนุนให้เกิดองค์ประกอบฝ่ายอกุศลที่เรียกว่ากิเลสเนี่ยที่เป็นกิเลสที่มันคอยแทรกซ้อนขึ้นมาในกระบวนการติดตามมาหลายๆอย่างโดยเฉพาะอันดับแรกก็คือตัวตัณหาใช่ไ ตัณหาตัวโลภะเนี่ยความอยากได้ความปิดใจใฝ่ายกสันเนี่ยความเห็นแก่ตัวความทยานอยากแสหาเครื่องปรุงมาบมุบมบมเดอตนก็คือแสหากรามก็เรียกแสหาในรูปเสียงกินรสปวดเถ้าผที่น่าปรารถนาทั้งหลายเหล่านี้ตัณหาเหล่านี้ไอ้ตัณหาเหล่านี้เวลาเกิดขึ้นมาแทรกปุ๊บขึ้นมาแล้วปัญญาไม่เกิดแล้วนีปัญญาก็จะไม่เกิดนี่ตั ว, วนี่คือตัวตัณหา นี่เป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความทะยานอยากนะมานะนี่คือความถือตัวสําคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ยกตนชูตนเปรียบเทียบตนเนี่ยไฟสแสวงหาอํานาจมาเชิดชูตนนี่คือมานะตนด้อยตนสูงอะไรก็แล้วแต่กลุ่มมานะทั้งนั้นและไอ้ตัวที่สําคัญตัวนึงก็คือทิฏฐี ความยึดติดในความเห็นของตนนี่ถือร้านเอาความคิดเห็นของตนนี่เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแล้วก็ถือมั่นให้ความจริงจะต้องเป็นไปอย่างที่ตนเห็นในทิฏฐิเป็นอย่างไงเพราะเห็นอะไรปุ๊บขึ้นมาแต่นี่นะก็จะยึดในความเห็นนั้นแล้วก็ต้องการในความเห็นตนนั้นเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาล้วนแต่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดความบีบคั้นขัดแย้งขยายเพิ่มพูนและกว้างขวางออกไปทั้งภายในและภายนอกเนี่ยสิ่งที่ทําให้ ไปสำคัญหรือไปยึดติดว่ามันมีอัตราตัวตนนก็เลยจัดกิเลสสามตัวนี่เป็นตัวการสำคัญเลยใช่ตัณหาความอยากได้ความทยานอยากความเห็นแก่ตัวมานะก็ความถือตัวถือตนนยกตนชูตนเปรียบเทียบตนซึ่งไอตัวเนี้ยถ้าทางโลกเราไปเข้าใจผิดกันเยอะแล้วแล้วก็ทิฏฐินี่ยึดถือความเห็น ถือรันความเห็นของตนเองว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมางั้นบุคคลที่ไม่รู้เท่าทันสมมุติลงยึดติดถือมั่นตัวตนเป็นจริงเป็นจังจะปล่อยให้กิเลสเหล่านี้เป็นตัวบงการบังคับบัญชาในการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมตนเองออกมาทําให้ความทุกข์แพร่หลายและเพิ่มทวีคูณแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะถูกตั้นหาบงการถูกมานะบงการถูกทิฏฐิบงการ กระแสะชีวิตก็เลยดําเนินไปด้วยการถูกตันาานนนะต้นหามานต์และทิฏฐิเนี่ยนะตั้นหามนต์ทิฏฐิก็เลยหมุนเนะีเป็นตัวบงการชีวิตตั้นหาอยากจะได้อะไรก็มาบงการให้กระแสะชีวิตเนะี่ยเป็นไปตามเกิดความเห็นแก่ตัวเกิดความทะยานอยากให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้นหาบงการปุ๊บขึ้นมาตั้หาก็บงการทําให้มนุษย์เนี่ยทำสิ่งที่ตนเองใฝ่หาสแสวงหาอยากได้ร่ำล้นดิ่นไปที่ตั้หาก็จิก ก็คือควบคุมและบางคนจะมานะมาควบคุมควบก็อยากใหญ่นะืยกตนชูตนเปรียบเทียบตนขึ้นมาแล้วก็ามาวงการก็อยากให้ตนเองสมหวังสมปรารถนาเพราะมันไปเข้าใจว่ามีอัตราตัวตนมาสนองเพื่อจะให้ตนเองได้รับเกียรติยศชื่อเสียงว่าไปถ้าทิฏฐิมันเห็นอย่างไรเข้าใจอย่างไรจะยึดความเห็นพอยึดความเห็นไม่พอก็ดําเนินกระทําการใดๆ ไ, ไปตามทิฏฐิไปตามความเห็นตนเอนะั้นต้องการอยากจะให้เป็นไปอย่างที่ตนเองเห็น ตนเองเข้าใจนั้นก็เลยเกิดการบังคับทีนี้พอเกิดการต้านขึ้นมาไม่เป็นไปตามอย่างที่ตั้นหามาน้าทิ่ถีต้องการมาก็เกิดความกระทบกระทั่งขัดแยง้งทั้งภายในขัดแยง้งทั้งภายนอกก็เลยเป็นปัญหาของทุกของชีวิตด้วยเป็นทุก ข, ของชีวิตไม่พอก็การเป็นทุกของสังคมไปด้วยใช่หปั่นป่วนภายในไม่พอนอะก็ปั่นป่วนออกมาภายนอกด้วย พอมองเห็นได้ยังไงการไม่รู้เท่าทันนี่เป็นปัญหาไหมทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลที่รู้เท่าทันสมมติต ร, ตรงนี้เป็นยังไงก็ไม่หลงยึดติดถือมั่นในตัวตนนั้นเนี่ยก็ปลอดพ้นจากอำนาจของกิเลสเหล่านี้ถ้ารู้เท่าทันปัญญาเกิดขึ้นความเข้าใจเกิดขึ้นเมื่อพัฒนาปัญญาจนสามารถละ ตันหาคือความเห็นแก่ตัวความทะยานอยากได้ละมานะคือความถือตนสําคัญตนเป็นนั่นเป็นนี่ได้ละทิฐิคือการยึดติดในความเห็นตนเองได้ถ้าปัญญาเข้ามาทําการละสิ่งเหล่านี้ได้ทีนี้ถ้าละได้ปุ๊บเนี่ยไอ้ความยึดติดทั้งหลายเหล่านี้มันจะปลอดพ้นจากการจากกิเลสเหล่านี้ไม่ยึดติดหลงว่านี่ของฉันฉันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้น ก็คลองชีวิตอยู่ด้วยปัญญาด้วยการรู้เท่าทันรู้เท่าทันสมมุติเนี่ยนะและก็ทําการตามเหตุปัจจัยเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งและเป็นที่แพร่ขยายแห่งความปลอดภัยด้วยไร้ทุกข์ด้วยทั้งใจ่ตนเองและแก่บุคคลอื่นด้วยเออเนี่ยตรงนี้จะทํำยังไงมนุษย์หรือเราทั้งหลายเหล่านี้เราจะไม่ให้กิเลสไอ้สตัวเหล่านี้เข้ามาบงการชีวิตแต่ให้ปัญญาใช่ไหมคือความรู้ความเข้าใจนี่แหละให้เกิดขึ้น นั่นก็เลยมีว่าอ๋อปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีศีลเอาแล้วทีสรุปก็คือมนุษย์เลยก็ต้องมาฝึกไอ้สามตัวนี่แหละฝึกอะไรเจริญศีลเจริญสมาธิและเจริญปัญญาใช่ไหมไอ้ศีลก็เลยเป็นเครื่องป้องกันให้สังเกตดูนะว่าบุคคลที่มีมาน้ายกตนชูตนเปรียบเทียบตนเนี่ยเพราะอะไร นีเป็นปัญหาทางด้านจิตใจเลยนะจิตที่ไม่เป็นไปกับศีลเนี่ยจะมีลักษณะแบบเนี้จะไม่อ่อนโยนถ้าด้านศีลเนี่ยพุทธเจ้าสอนในเรื่องการให้บคนอ่อนโยนอ่อนน้อมใช่ไหมก็คื อ, ค อ, คอต้องการยลละจัดการกับไอ้มานะอยู่แล้วไอ้การยกตนยูตัวนี้จิตใจที่แสไปหาสีเสียงกิริย์รดตั้งหลายอย่างนี้อ๋อเพราะขาดกลุ่มสมาธิขาดสติเลยเนี่ยฉะนั้นพุทธเจ้าสอนในเรื่องฝึกสติฝึกสมาธิจิตใจก็จะได้ไม่ร้านลง อ๋อที่ไม่รู้เท่าทันสมมตุติด้วยความเห็นที่ผิดทั้งหลายเพราะขาดปัญญาอ๋อศีล ส, สมาธิปัญญาจึงเป็นคําตอบในการที่ป้องกันกิเลส3ตัวนี้ไม่ให้เข้ามาบงการชีวิตจิตใจของมนุษย์เมื่อสามารถป้องกันนะไม่ให้ตัณหามานาัสิฐิเนี่ยมาบงการชีวิตจิตใจของมนุษย์มนุษย์ก็เลยอยู่อย่างปลอดภยัยอยู่อย่างปลอดโปร่งอยู่อย่างเป็นอิสระทําการทั้งหลายเป็นไปตามปัญญาที่รู้เท่าทันสมมติ รู้เท่าทันเหตุปัจจัยทั้งหลายจะทําการใดๆก็ทําไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆก็ไม่ถูกทุกข์ถูกภัยถูกความเดือดร้อนทั้งหลายนะเข้ามาบีบขั้นครอบงำก็เลยเป็นอยู่ด้วยความเป็นอิสระเป็นเสรีภาพอย่างแท้จริงพอมองเห็นยังอา้าวนี่ผมมองแบบคร่าวๆก่อนแต่ไม่ได้สามารถเจาะเข้าไปในรายละเลอียดว่าจะทําอย่างไรหนึ่งสองสาอันนั้นก็ต้องไปวิจัยต่อยัง ไ, ไมไปต้องฝึกฝนพัฒนาต่อไปเอาละทีนี้ไอ กรณีของการที่ไปยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นจริงเป็นจังเป็นแท้ถาวรเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเนี่ยซึ่งมันไม่มีจริงนี่แหละแต่ด้วยการที่ไปเกิดทิฏฐิตรงนี้ขึ้นมาเนี่แหละความหลงผิดที่มักจะชักพาคนให้เข้าไปติดก็คือการแล่นสุดตรงหรือความคิดเห็นด้านหนึ่งไปสุดตรงอีกด้านหนึ่ง พวกหนึ่งยึดติดถือมั่นตัวตนว่าเป็นของจริงเป็นของแท้เป็นของที่ฐาวรยึดมั่นโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนอย่างนั้นซึ่งมีจริงเนี่ยม่ใช่สมมุติสัตว์บุคคลมีตัวตนแท้ที่ยั่งยืนอยู่ตลอดไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าคนจะตายชีวิตจะสิ้นสุดตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวตนดวงชีวะอาตามันหรืออัตตาทั้งหลายก็ยังคงอยู่อย่างเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงไม่สูญสลายไปด้วยบางก็ว่าอัตตาตัวตนนี้เวียนว่ายตายเกิดบ้างก็บ่าอัตตาตัวตนนี้รออยู่เพื่อไปสู่นรกหรือไปสวรรค์นิรันดรสุดแต่คําตัดสินของเทพเจ้าสูงสุดความเห็นของบุคคลกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มสัสตตตถิถิเคยได้ยินไหมหรือสัสตตวาทะก็แปลว่าความเห็นว่าเที่ยงหรือเห็นว่าสัตว์บุคคลตัวตนหรืออัตตาในเที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดไป เราเห็นแบบนี้ไหมเห็นอยู่ใช่ไหมบอมเห็นแบบนี้ไหมเห็นว่าอัตตาตัวตนนี่เห็นเป็นศาสนาทิฏฐิไหมเป็นศาสนาวาทภาพไหมความเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าสัตว์บุคคลตัวตนหรืออัตตาเที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดไปเห็นอย่างนั้นไหมเห็นอย่างนี้ไหมเห็นไหมเห็นถ้าเห็นยังไง อาจจะถามอะไรไหมตรงนี้ไม่สงสัยไม่รู้ <c oughs> เออตรงเนี้ยเขาท่านพูดถึงว่าคนพวกหนึ่งยึดติดว่ามีอัตราตัวตนนี่เป็นความเห็นสุดตรงนะว่าตัวตนเนี่ย สัตว์บุคคลเนี่ยตัวตนเนี่ยมันเป็นของจริงเป็นของแท้มันไม่ใช่สมมุติหรอกมีอยู่จริงๆมีอัตรามีตัวตนจริงๆริงนะครงั้นเธอแล้วก็อัตราตัวตนนี่ยมันยืนโยงคงอยู่ตลอดไปนะถึงแม้ชีวิตจะตายหรือสิ้นสุดลงเนี่ยอัตราตัวตนหรือดวงชีวะอัตมันหรืออัตราเนี่ยมันจะคงอยู่อย่างเดิมมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่สูญสลายไปไหนนั่นกลุ่มหนึ่ง อีกกลุ่มหนึ่งก็ว่าอัตราตัวตนเนี่ยมันมีการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดนี่กลุ่มหนึ่งเราอยู่กลุ่มไหนเนี่ยกลุ่มว่ามันเที่ยงแค่ไปที่งแพ้เป็นปนิรันดรหรือกลุ่มที่ว่าอัตราตัว ต, ว ต, วตวนเนี่ยมันหมุนไปเรื่อยแต่มันไม่เปลี่ยนเข้าใจว่าตายพวกมีวิญ ญ, ญาณออกจากร่างแล้วก็ลอยไ ป, ไปไปสิงชีวิตอีกชีวิตหนึ่งอยู่แล้วเกิดขึ้นมาใหม่ก็มีอัตราตัวตนนี้เที่ยงแท้อยู่อย่างนี้ตลอดไปเขียนมันมีดวงวิ ญ, ญญาณลอยออกไปอย่างงี้ไหมเห็นแบบนี้ไหม เ อ, เอออย่างเงี้ยเขาเลยเป็นสัจธรรมทีท่ิดเป็นความเห็นที่ผิดเออเป็นความเห็นที่ผิดบางกลุ่มไม่อย่างนั้นเราบางกลุ่มเนี่ยอายุยืนไงกลุ่มพวกพรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้เขาเห็นว่ากระแสชีวิตของเขาอัตราตัวตนของเขามันเที่ยงแท้มันเที่ยงแท้วงกันอไม่เสื่อมสลายไปไหนเนี่ยเที่ยงแท้และยั่งยืนตลอดไปด้วยลักษณะอย่างเนี้ยก็เรียกว่า เขาเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนนะหรือบางทีก็อัตตาตัวตนนี้รออยู่เพื่อไปสู่นรกหรือสวรรค์นิรันดรสุดแต่ว่าคําตัดสินของเทพเจ้าสูงสุดาบางมัทธิศาสนาเขาเชื่อว่ า, าเมื่อเขาตายจากอาตภาพนี้แล้วเขาจะต้องไปรอคําพิพากษาไปรอคําพิพากษาวันสิ้นโลกเอาเลยสิแตเนี้ย ในวันนั้นน่ยมีเทพเจ้าสูงสุดอยู่เทพพระเจ้าสูงสุดเนี่ยคอยหยิบดวงวิญญาณอ่าสุธันไนตายปุ๊บยังไปไหนไม่ได้ก่อนไปรออยู่รออยู่พอถึงวันจะสิ้นโลกปุ๊บเนี่ยเทพเจ้าสูงสุดหรือพระพรหมเออพระเจ้าของเขาเนี่ยนะก็คอยมาหยิบก็มาดูว่าเออเนี่ย่านไนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนับถือเทพเจ้าสูงสุดผู้นี้ไหมอ่าถึงแม้จะเคยทําความดีมาทั้งชีวิตก็แล้วแต่อ่ามีความผิด ความผิดของเธอคือไม่นับถือฉันฉะนั้นเมื่อไม่นับถือฉันไม่เคยทําอะไรให้กับฉันไม่เคยอ้อนวอนเลยฉันเนีย่ยฉันก็หยิบดวงวิญญาณของเธอเนีย่ยเหวี่ยงลงไปในนรกเนี่ยคือความผิดของเธออยู่ตรงเนี้ยอ้าวคนเนี้ยอาจจะทําความชั่วทําอะไรไดีแต่เคยถ่ยบาปเคยอ้อนวอนเคยขอร้องเคยวิงวองนอ form, หรือเคยทําอะไรบูชาฉันนีอ้อนวอนอฉันไว้เออฉันก็จะหยิบดวงวิญญาณตรงเนี้ยขึ้นไปสวรรค์เป็นนิรันดรไปขยายยัง เนี่ยจะมีเทพเจ้าสูงสุด ม, ม, ม, มาคอยหยิบอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกกลุ่มศาสนาทิฏฐิเห็นว่าเที่ยงชัดไหมแบบเนี้ยเออจะได้เห็นให้ชัดเจนเป็นแบบนี้อ้าวบางคนเนี่ย โ, โหเนี่ยไป โ, โหทำประเภทที่แบบพิชิบอะไรก็แล้วแต่เพื่อฉันบูชาฉันว่ากันเพื่อต้องการให้คนมานับถือถ้าใครไม่นับถือไปจัดการเขาอีกฝ่ายหนึ่งว่ากั้นเถอะเขาทำด้วยความเชื่อทําด้วยความ ยึดติดของเขาอย่างเหนียวแน่นที่เขาทำเป็นบุญเป็นกุศลอ่าเดี๋ยววันสิ้นโลกกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่ต้องผ่านการพิภากษาเพราะถือว่าแม้ทํากล้าสละชีวิตเพื่อเพื่อเพื่อเทพเจ้าสูงสุดได้บุคคลเหล่านี้ก็ฟึบไปสวรสด์ทันทีเลยไม่ต้องมีการรอให้เทพเจ้าสูงสุดมาคอยหยิบดวงวิญญาณมาพิภากษากลุ่มเหล่านี้เขาเรียกกลุ่มสิทธิพิเศษเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจตรงนี้ใช่ไหม มันก็มีมีเรื่องแบบนี้อะเกิดขึ้นซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่ามีกลุ่มที่มีสิทธิพิเศษอย่างนี้ดันั้นถ้าใครทําอะไรพิเศษพิเศษเพื่อเทพเจ้าสูงสุดเนี่ยนะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่ต้องรอวันมีภาคสามไปเลยนะไปสวรรค์นิรันดรไปเลยเีนะ่ไปสุคตินิรันดร์เลยไอคนที่ไม่นับถือก็ดีนะไม่เคยบูชานะเทพเจ้าสูงสุดนี่พวกนี้สวยเลย ถ, ถูกเหยีบไปนู้นไปอยู่ในนรกนี่ลันดอนเลยเนี่เหนน่ากลัวไหมถ้ามนุษย์เกิดความเชื่ออย่างนี้ขึ้นมาเกิดเห็นด้วยความเป็นอัตตาตัวตนอย่างนี้ขึ้นมาไม่ใช้ปัญญาวิจัยพิจารณาแยกแยะเอาความเชื่อไปฝากไว้กับใ ค, ใครก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วก็มอบความไว้เนื้อเชื่อใจมอบความวางใจไว้แก่กับเทพสูงสุดนั่นเลยย่อมไว้แล้วแต่เทพจะบัญชาดนบันดาลชีวิตของฉันเนี่ยเพื่อเพื่อคุณ ฉันรักคุณแล้วนี่ก็รักแท้แบบงมงายใช่ไหมรักแท้แบบขบญญาดกันอย่าห้ามสงสัยใดๆในตัวพระพูดเป็นพร ะ, ระเทวราชองค์นี้ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าไม่พูดได้ชัดอย่างนี้ก็จะมองไม่เห็นอย่างนี้เริ่มมองเห็นไหม อ, าอ้าวเนี่ยความเห็นอย่างนี้เขาเรียกเป็นสัตสะตาทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงหรือสัตสะตาวาทาก็แปลว่ามีวาทาว่าเที่ยงนี่แหละ มีเที่ยงนยีสัตว์บุคคลตัวตนหรืออัตตาเป็นเที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดไปนะบางกลุ่มก็ยั่งยืนแบบประเภทที่เนี่ยมีลอยไปได้ใช่ไหมมีดวงวิญญาณลอยบางกลุ่มก็มีความเห็ยนว่าสุขทุกข์แล้วอะไรดินน้ำไฟลมสุขทุกข์และชีวะไอตัวนี้ไม่ตายนองมันตายไอตัวนี้ก็จะลอยนะไปสิงอยู่ก็เป็นเปตตัวอัตตาเป็นตัวอัต อตาตมันปรมัตถมันคอยบงการกระแสชีวิตเนี่ยตรง น, นี้ก็จะตรงนี้ฆ่าไม่ได้ไม่ตายนะในตัวเนี้ยมนุษย์ก็ไปเข้าใจแบบเนี้ยเนี่ยความที่พัฒนาปัญญายังไม่ถึงก็ยังไม่สามารถจะเข้าใจความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างเออเนี่ยมนุษย์ก็ยังต้องจมอยู่กับไอ้ความเห็นที่มันไม่ถูกอย่างเงี้ยด้วยไอ้ตัณหามนาทัทสิทธิ์นี่แหละแล้อีกกลุ่มนึงอีกพวกหนึ่ง เห็นว่าตัวตนเช่นนั้นอยู่หรือยึดถือสัตว์บุคคลตัวตนแท้จริงเนี่ยแต่สัตว์บุคคลนั้นไม่เที่ยงแท้ถาวร น, นี่นะไปเข้าใจด้วยนะว่ามีสัตว์มีอัตตา ม, มีตัวตนเข้าใจไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเชื่ออย่างงั้นเห็นอย่างงั้นแต่ไปเห็นว่าสัตว์บุคคลเนี่ยไม่เที่ยงแท้เนี่ยนอนสูญสลายไปได้คือเมื่อคนตายรือจบชีวิตลงปุ๊บสัตว์บุคคลก็จะขาดศูนย์ตัวตนก็จะหมดไป ความเห็นของคนกลุ่มนี้ก็เรียกว่าอุเฉททิฐิหรืออุเฉทวทะแปลว่าความเห็นว่าขาดศูนย์หรือเห็นว่าสัตว์บุคคลตัวตนอัตตาไม่เที่ยงไม่ถาวรดำรงอยู่ชั่วคราวแล้วก็สูญสิ้นไปเอการเห็นอย่างนี้ทำไมถึงผิดเมื่อเห็นว่าสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะมีการ ดับไปเมื่อตายไปแล้วเนี่ยหรือจบชีวิตลงแล้วเนี่ยก็ขาดศูนย์ไปเลยไม่มีการสืบต่อไม่มีการเวียนว่าตายเกิดที่เห็นว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างเนี้ยเ อ, อทุกอย่างศูนย์สลายไปเมื่อตายจบชีวิตลงปุ๊บสัตว์ก็ดีบุคคลก็ดีตัวตนก็หมดไปความเห็นอย่างนี้เรียกอุเฉติทิถีเห็นอย่างนี้ทำไมถึงเรียกว่าเห็นผิดทําไมถึงเรียกว่าเห็นผิด ตอบไม่ได้ทําไมจึงเรียกว่าเห็นผิดไม่ใช่เห็นถูกหรือแบบเนี้ยไปเรียกว่าเห็นผิดว่าได้ยังไงก็เห็นว่ากระแสชีวิตไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหตุผลที่เห็นผิดเพราะก็เห็นหยาบเห็นเป็นสมมุติบัญญัติเห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลเห็นว่าสัตว์ตายบุคคลตายเห็นว่าชีวิตที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรของเขาก็คือว่าตอนนี้เป็นสัตว์บุคคลอยู่ เป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ตายายยายลชื่อขานเรียกชื่อกันเห็นด้วยความเป็นยึดติดเหมือนกันยึดติดด้วยทิฏฐิผิดพลาดเหมือนกันแต่เห็นว่าสัตว์นั้นตายลงอัตตานั้นตายลงสภาชีวิตนั้นดับลงปุ๊บเนี่ยก็ขาดศูนย์เลยไม่มีอะไรไปลี่ยนว่าตายเกิดใดๆเนี่ยเห็นแบบนี้เห็นผิดสัตว์บุคคลมีจริงไหมไม่มันไม่มีอยู่จริงพอไปเข้าใจนะ แต่ไม่สามารถเจาะเข้าไปเห็นด้วยความเป็นรูปธรรมแลนามธรรมหรือเป็นสมาวะต่เห็นด้วยความเป็นสัตว์อยู่นั่นแหละเห็นด้วยความเป็นบุคคลเป็นอัตตาตัวตนว่าเป็นแก่นเป็นกายแกนอยู่นั่นแหละแต่ไอสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนเหล่าเนี้ดับไปแล้วมันหมดมันไม่มีการสืบต่อไอเห็นเห็นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกเห็นผิดเหมือนกันก็เรียกขีความเห็นว่าขาดศูนย์ทีนี้ เอาอย่างเราๆหรือหลายๆายคนเนี่ยที่ศึกษาพุทธศาสนาถ้าเข้าใจไม่ชัดเจนก็ตกไปหาทิฏฐิเหล่านี้มั้งก็ตกศึกษาไม่ชัดเจนไม่ท่องแท้ไม่วิจัยแยกแยะทั้งหลายก็ไปติดอยู่ไอ้ทิฏฐิสองตัวนี่แหละเป็นสัตสตาทิฏฐิกับอุเชททิฏฐิเห็นว่าเที่ยงว่าเห็นว่าขาดศูนย์เหมือนบางคนเชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเนี่ยเป็นชาวพุทธเรานี่แหละเชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่จริงนี่แหละ แต่ไปเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นเพียงเป็นเหมือนสัตว์บุคคลเนี่ยที่ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ห้ไปเห็นในลักษณะอย่างนี้นั้นการเห็นในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่พ้นไปจากสัตว์สราที่ทิี่อยู่ดีเช่นว่าเห็นว่าไนท์เกิดนิมอมเนี่ยตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่ก็ไปเข้าใจว่าสัตว์บุคคลเนี่ยไปเกิดใหม่เออเราอาจจะไปเกิดเป็นอะไรก็ได้ใช่หไหมจากมนุษย์เนะย ให้เกิดเป็นเทวดาอย่างเทวดาไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยไปเห็นแบบนี้แต่เห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลไม่เห็นกระบวนการของธรรมะหรือกระแสของสภาวธรรมที่แท้จริงแล้วมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงแบบนี้เถ้าเห็นด้วยความเป็นกระแสชีวิตว่าขันห้ามีการสืบต่ออยู่ตลอดเวลาเลยอยู่ทุกๆุกขณะเลยนะแต่ยังสืบต่ออยู่ยังไม่ถึงจุดติหมายความว่า ยังไม่ถึงจิตใจจิตตราบใดก็เรียกว่าสืบต่ออยู่ในพบนี้ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลาทั้งทั้งกระแสะของรูปธรรมเซลล์ในร่างกายก็แตกดับสืบต่อตลอดเวลานี่ยังยั ง, ย ง, ยงในพบนี้ก็ไม่ได้อยู่อย่างถาวรมั่นคงอะไรเลยแต่สมมุติเรียกชื่อกันก็ว่ากันไปกลุ่มนมามธรรมมัยิ่งเร็วยิ่งรวดเร็วใหญ่ เมื่อว่าจะเวทนาสัญญาสงขารวิญญาณกลุ่มนามมาทำเนี่ยด้านจิตใจด้วยแล้วก็แตกดับรวดเร็วกับรูปธรรมอีกก็สืบต่อกันตลอดเวลาเนี่ยกระแสของชีวิตเนี่ยแต่ว่าแตกดับสืบต่อกันยังไม่เปลี่ยนพบจับใจก็เรียกว่ายังเป็นการสืบดับสืบต่อกันในพบนั้ น, น, นๆอยู่แต่คือกระแสชีวิตแตกดับไห ม, ไมแตก ด, แตดับที่รวดเร็วกุงจงว่าหลอดไฟอีกกระแสวิไฟแต่เรามองเห็นไหมเนี่ย เนี่ยปัญญาไม่เกิดก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกระแสะชีวิตเหล่านี้ได้ฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าคนที่ไม่ศึกษาพุทธศาสนาให้ท่องแท้ให้ลึกซึ้งก็ไปเข้าใจผิดไปเข้าใจว่าอัตราตัวตนนี่แหละเป็นผู้เกิดเป็นผู้ตายเป็นผู้เย็นว่ายตายเกิดไอความเข้าใจในลักษณะอย่างเนี้ยก็ไม่ตกอยู่กับไอก็ยังตกอยู่กับอิสลามทิศทีถามบอกว่าเอา้าบางทีมนุษย์ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดา มนุษย์กับเทวดาเนี่คนเดียวกันไหมคนเดียวกั น, น, นไหมเห็นไหมเป็นสําคัญเราเป็นคนเดียวกันเนี่ยแล้วเป็นคนเดียวกันได้ยังไงอ่ะตอนเป็นเด็กกับคนนี้อ่ะตอนเด็กชายไน้กับนายไนย้กับภิกษุไน้เนี่ยคนเดียวกันไหมคนเดียวกันแล้วก็ไปเห็นเป็นคนเดียวกันแต่จริงๆแล้วกระแสชีวิตมันใช่คนเดียวกันไหมไ ม, มันเปลี่ยนมาตลอดเวลาใช่ไหมแต่ชื่อยังชื่อเดิมอยู่ สมมติยังสมมติเดิมๆอยู่แต่กระแสชีวิตเนี่ยทุกขนาดเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเราเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วก็รู้รูปธรรมมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเร็วจะตายใช่ไหมแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันคืออะไรความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นรูปธรรมด้วยนามธรรมด้วยวิทยาศาสตร์เจาะนามธรรมไม่ถึงก็จริงแต่รูปนามธรรมก็แตกดับรวดเร็วกว่านั้นอีกนั่นคือกระแสชีวิตแต่เราไปยึดติดว่าเป็นสัตว์บุคคลเป็นผู้แตกต่างก็ยุ่งเ ล, ย เ, ล ย, ยเนี่ยไม่เข้าใจความจริงตรงนี้ใช่ไหม เนี่ยมันแตกมันผ่านมาเนี่ยเห็นไหมกระแสชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรนกระแสชีวิตที่ออกมานอกครรนกระแสกระแสชีวิตที่เป็นเด็กๆนั่นก็คือรูปนามกัน5มันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเวลาเลยเนี่ยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดเวลาจะสมมุติอะไรก็ว่าไปจะตั้งชื่ อ, อยังไงไม่เกี่ยวฉันก็เปลี่ยนฉันอยู่อย่างเนี้ยฉันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยถ้ายังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในภพนี้ตราบใดยังไม่ถึงจุดติตราบใดก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันในภพนี้ แต่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่เห็นมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เห็นความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่เห็นความเป็นจริงของสภาวะธรรมของสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไปยึดติดนะไปหลงผิดไปเข้าใจผิดทีนี้พอถึงจุดติจุติจิตเนี่ยก็คือตายเนี่ยกระแสชีวิตมันดับลงเนี่ยเองกระแสชีวิตดับลงเนี่ยในเมื่อมีตัณหมามนาทิฏฐิอยู่กระแสชีวิตมันเกิดต่อทันทีมันสืบต่อทันทีเลย มันไม่มีการล่องรอยนะโดยโดยความเป็นจริงเนี่ยสภาบว่าเป็นแบบเนี้ยส่วนความเข้าใจของเราจะแค่ไหนอันนั้นอีกอย่างแต่ความจริงก็เป็นแบบเนี้มันก็สืบต่อไปทีนี้พอสืบต่อไปอ้าจากตรงนี้สมมุติว่ามนุษย์ชื่ออะไรก็ว่าไปพอจุดติปุบปฏิสนธิปุ๊บต่อไปด้วยสัตว์เดราจฉานเอาเลยสิถ้ามันมีสี่ขาขึ้นมาเนี่ยรูปธรรมเนี่ยมีสี่ขาเดินแล้วไม่ใช่สองขาเดินแล้วนะ แล้วมันมีรูปธรรมไม่มีมีนมามธรรมไม่มีแต่สมมุติว่าเป็นหมูไงเนี่นอาวกะสีตัวเนี้ยจากมนุษย์กลายเป็นหมูใช่ไหมก็มาสมมติเรียกชื่อหมูแต่ที่จริงคือรูปนามขันห้านั้นแหลมันแตกดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาอ้าวทาไมมันไม่พ้นทุกข์ทำไมไม่หยุดการเกิดเพราะกิเลสเพราะตัณหามรรคทิฏฐิยังไม่ถูกละด้วยโสดาบันิมาร์กเป็นต้นด้วยญาณปัญญาที่จะไปละมันก็เลยมีการสืบต่อกันไปเรื่อยๆๆอ้าวสืบต่อกันไม่จบไม่สิน้น อยู่ตรงที่ว่าตอนนั้นเนี่ย ก, กระบวนการของธรรมะเป็นกุศลอกุศลยังไงก็ว่าไปมองเห็นหรือยังมันสืบต่ออย่างนี้ตลอดเวลาเลยไม่มีการหยุดขั้นเลยเห็นไหมว่ากระแสของขันห้าเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากเวลาเกิดดับสืบต่อกันเนี่ยถ้ายังมีตัณหามาณทิฏฐิเป็นตัวบงการอยู่นยียังมีตัณหามาณทิฏฐิคอนโทรอยู่เนี่ยมันอันตรายมากไปทําบาปศ ร, รัทธกรรมมาชั่วละไแล้วก็เป็นตัวเชื่อม เป็นตัวล่อทําให้อกุศุรกรรมที่ทํามาในดีดเป็นตัวให้ผลด้วยสมมติเรายังถอนตันหามานาะที่ถีไม่ได้เลยยังเป็นปุรยชนคนเขาอยู่เนี่ยเวลากระแสชีวิตสืบต่อไปพอใกล้จะตายขึ้นมามันมีอะไรเลยเนี่ยมีอคุสุรกรรมมันตามให้ผลทันเพราะตามให้ผลทันในท่วงนั้นมีนิมิตที่ไม่ดีมีทุคตินิมิตมาให้ผลพอทุคตินิมิตมาให้ผลโป้ขึ้นมาก็ยึดนิมิตเหล่านั้นพอจุติจิตคือกระแสชีวิตดับ ก็ต่อทันทีทีนี้มันได้นิมิตไม่ดีมันก็ต่อไปไหนไหนต่อไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสมมุติไปเป็นหมูอย่างที่ว่ามันเนี่ยยุ่งเลยดิใช่ไหมจากมหาเศรษฐีใหญ่กลายเป็นลูกหมูน้อยอ ย, อยู่ในท้องหมูปฏิสนตที่ในนั้นเรียบร้อยแลวกระแสชีวิตก็จเจริญเติบโตไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆแต่ไม่ใช่มหาเศรษฐีแล้วกลายเป็นไอ้ตัวหมูเลยสมมุติเรียกว่าหมู ต่างประเทศจะสมมุติอะไรก็แล้วแต่ภาษาท้องถิ่นนั้นๆจะสมมติอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกแต่ก็คือขันท่านั่นแหละแต่รูปร่างมันเปลี่ยนแล้วรูปธรรมก็เปลี่ยนนมามธรรมก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนอย่นะเนี่ยแต่มันก็สืบดับต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแต่เห็นไหมเนี่ยความไม่เป็นพระโสดาบันมันอันตรายตรงเนี้ด้วยความที่ละตัณหามนรทิฏฐิที่จะลงสู่อบายทุกติวิบัติโลกไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมัน ม, มีความเสี่ยงในช่วงมรณาสถานการคือการใกล้ตายมากพอรับนิมิตไม่มีปุ๊บ ไปเกิดเป็นสัตว์นรปกประดาใช่ไหมสัตว์นิรันดร์ก็ได้เปรตก็ได้สุรกายก็ได้นี่นี่คืออัตราความเสี่ยงของคนที่ไม่เป็นอริยะแต่ถ้าเป็นพระสะดาบานปุ๊บตักลอนหมดเลยยังเกิดอยู่จริงกระแสชีวิตยังสืบต่อจริงแต่จะสืบต่อแค่สุคติและไปในส่วนที่ดีนั้นส่วนอบายทุกติวิบัติในรกนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนี่ปิดอบายภูมิเลยอยนี้นะปิดบาปอุสรกรรมทั้งหลายที่จะสามารถส่งผลลงสู่อบายภูมินี่คือความปลอดภัยของของอริยะบุคคล เนี่ยมนุษย์เราพวกเราก็ไม่รู้ตัวเองว่าเรากําลังเจอมหันตภัยร้ายหรือภัยใหญ่ตรงเนี้ยที่เราจะต้องไปจมอยู่ในอบายทุกติวิบัตินรกก็เพราะเราถอยในตัณหาคือความเห็นเกิดตัวความทะยานอยากยแสหาสิ่งที่บวมรุมบาเลอตนไม่ได้มานะในความสําคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ฝ่ายอํานาจนี่ไม่ได้โดยเฉพาะทิฏฐิในความยึดติดในความเห็นของตนเองถือร้านความเห็นของตนเองเป็นจริงเป็นจังเนี่ย ไอ้กิเลสสตัวเหล่านี้มยังละไม่ได้แต่พอเป็นพระโสดาบันแล้วตัณหามาหน้ทิฏฐิโดยเฉพาทิฏฐิขาดตัณหาและมานะที่จะนําสู่อาบายภูมิก็ถูกละได้ด้วยเห็นไหมก็ปิดเลยบายภูมิก็แปลว่าย่นกระแสชีวิตที่จะลงไปต่ําอีกโอ้โหนับไม่ท่วมนับไม่ท้วนเลยเนี่ยนี่ปลอดภัยเป็นชีวิตที่ปลอดภัยถ้าเป็นอรารยขั้นต้นก็ปลอดภัยใช่ไหมถ้ายัางพวกเราเนี่ยโอ้โหเหมือนกันอะไรเนี่ย ไม้ได้ไม้มาทอดหนึ่งกรกลึงหัวกลึงท้ายเท่าคันนยนกําหนดได้ไหมจะเอาทักทั้งไหนลงอืไม่ไ ด, ไได้อยู่ที่ปัจจัยนี่เหมือนการกําหนดไม่ได้ท่านตายไม่ได้นี่เนี่ยท่านยังไม่เป็นอริยะเนี่ยแต่อีกยิ่งมันต้องตายอยู่แล้วคือตายอันตรายยิ่งบาปที่ทํามาก็เยอะอกุศลก็ทํามาก็มากนี่ก็เรียบร้อยเลยนีนย้มองออกใช่ไหมนี่คือความไม่ปลอดภัยของสัตว์โลก ถ้าตราบใดเนี่ยได้ทัศนะใช่ไหมปิดนิวรณ์ไอ้ปิดอาสวะได้โดยการเห็นโดยทัศนะด้วยสนะดวยสดาปฏิมาคเมื่อไรปลอดภัยเลยนัในสภาสวัสูตรจึงชี้ประเด็นนี้ก่อนเลยเนะประเด็นข้อแรกเนถ้าต้องการปลอดภัยในสังสารวัตไม่ต้องไปเจ็บปวดในสังสารวัตก็ต้องพัฒนาศีลสมาธิโดยเฉพาะปัญญาให้เข้าถึงสวดาปฏิมาคให้ได้ละตัญหามานาทิฏฐิที่จะนำสวดไปยพูไม่ได้ถ้าละกิเลสเหล่านี้ได้ปุ๊บ โดวยเฉาทิฏฐิเนี่ยนะถอนทิฏฐิก็ทั้งรากได้ถอนวิจิกิจฉาก็ทั้งรากได้ส่วนตัณหาที่ น, าานําส่วนใบพวงมานที่นําส่วนใบูมิก็สามารถละได้ด้วยนี่ก็ปลอดภัยนะชีวิตก็ไม่เจ็บปวดได้ความเข้าใจเลยนะทั้งนั้นเราก็จะเห็นเนี่ยเขีนว่าความเป็นอัตตาตัวตนอย่างนี้แหละนี่เมื่อกี้ก็พูดถึงในเรื่องของความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะก่มที่ศึกษาพุทธศาสนานี่แหละ แต่ก็ตกไปสู่ทิฏฐิสองประการนี้อยู่ตลอดถ้ายังไม่สามารถทำปัญญาให้เกิดขึ้นนะจนสามารถละทิฏฐิได้อย่างเด็ดขาดคือเป็นพระโสดาบันใช่ถ้าไม่ถ้าเป็นพระโสดาบันที่บอกว่าละอาสวะได้โดยการเห็นนะทัศนะนประหาตัพาธรรมก็คือละไดโดยโสดาปิมัติละกามาสวะ ภาวสวะิทิฏฐาสวะอวิชชาสวะที่จะนำไปสู่อบายภูมิได้ด้วยปัญญาระดับโซดาปริมักพอได้ปัญญาในระดับนี้ก็จะไม่ผิดพลาดก็จะสามารถมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยมีสัจธาทิฏฐิเห็นว่าเที่ยงอุเฉททิฏฐิเห็นว่าขาดสูนย์เหล่านี้ก็จะถูกละได้อย่างเด็ดขาดได้นอกจากนี้ก็ยังมีอีกพวกหนึ่งที่เห็นเลยเถิดไปนะว่า ความที่ไม่มีตัวตนก็คือไม่มีอะไรเลยนี่แหละความไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนก็เลยไม่มีผู้รับผลกรรมไม่มีใครรับผลกรรมการกระทําใดๆก็ไม่มีทำทำไปก็ไม่เรียกว่าทําไม่มีความรับผิดชอบต่อกรรมที่ตนเองทําพูดง่ายๆก็คือกรรมก็ไม่มีเลยกลายเป็นปฏิเสธไปใหญ่เลยแต่นี้ก็กลายเป็นทิศถีที่แยกออกมาอีกอีกสามกลุ่มพวกหนึ่งเห็นว่าทําแล้วก็ไม่เป็นอันธรรม หรื อ, อาการกระทําไม่มีผลก็เรียกว่าอากักริยาทิฏฐินี่เป็นอกักริยาวาทะพวกหนึ่งเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปอย่างเลื่อนลอยสุดแต่จะบังเอิญไม่มีเหตุปัจจัยก็คือพวกนี้ปฏิเสธเหตุก็เป็นอเหิยตุกะทิฏฐิทีนี้อเหิยตุกะนี่นะหรือนาติกาทิฏฐนะิหรือนาติกาวาทะก็ได้เห็นว่าไม่มีก็ได้นะก็กลายเป็นเนี่ยเมื่อสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามเหตุและปัจจัย ประกอบกับส่วนต่างๆประมวลกันขึ้นมาและเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ย่อมไม่มีตัวตนที่จะเที่ยงแท้แน่นอนหรือยืนยงนะันและตัวตนที่จะไปดับขาดศูนย์แม้แต่ในขณะที่เป็นอยู่เนี่ยก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่จะเอาตัวตนที่ไหนมามาย่างยืนจะตัวตนที่ไหนมาขาดศูนย์นี่เป็นการปฏิเสธสตรวะทาแะอุเฉตวาท่ไปด้วยแต่ความเข้าใจในกระบวนการที่เป็นไปตามสัมพันธ์เป็นไปตามเหตุปัจจัยเหล่าเนี้ยโดยมากเราก็จะไม่ค่อยได้ ศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งพอไม่ศึกษาคําสอนให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นมาก็เลยมองสิ่งทั้งหลายเป็นไปอย่างเลื่อนลอยว่าบังเอิญบ้างไม่มีเหตุปัจจัยบ้างนี่เป็นการปฏิเสธเหตุบางกลุ่มก็เป็นการเป็นนาติกาทิฏฐิและเป็นอาเหตุุกาทิฏฐิเห็นว่าไม่ไมีอย่างนี้เป็นต้นหรือเป็นอัคตริยะทิฏฐิเห็นว่าไม่ไม่เรียกว่าการกรนะทาเนี่ยเออเงี้ยในบรรดาของทิฏฐิทั้งหลายก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างเงี้ย เป็นไปในลักษณะนี้แต่ทีนี้ว่าโดยในคําสอนในคำพี์วิสุทธิมัชท่านปฏิเสธทิฏฐิเหล่านี้ท่านบอกว่าโดยความเป็นจริงแท้สัจจะในโลกนี้มีแต่นามและรูปเหงือนนามมาทำและรูปประทำก็คือขันธ์ห้นี่แหละก็แลในนามและรูปนั้นสัตว์หรือคนก็ไม่มีนามและรูปนี้ว่างเปล่าถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเหมือนดังเครื่องยนต์เป็นกองทุกข์ เป็นกองแห่งทุกข์ว่างั้นเอะสิ่งไม่ทุกสิ่งอะสิ่งนั้นไม่คงที่เหมือนแต่ญ่าและฟืนทุกนั่นแหละมีอยู่แต่ผู้ทุกไม่มีฮะมี mistake, หม e. ่คือบุคคลที่ไปทุกนั้นไม่มีหรอกแต่ทุกนั้นมีอยู่สัตว์ที่ไปทุกนั้นไม่มีหญิงที่ไปทุกชายที่ไปทุกนั้นไม่มีนี่ท่านไปเสดทั้งมาสัตว์บุคคลนะการกระทํามีอยู่แต่ผู้ทำน่ะไม่มีกายกรรมวจีกรรมโนกรรมเนี่ยการกระทําทางกายมีอยู่การกระทําทางวาจามีอยู่การคิดนึกทางใจนี่มีอยู่ แต่บุคคลที่ไปทำเนี่ยมันไม่มีนี่แปลว่าขั้นเชิงลึกที่ท่านปไปเสดสัตวบุคคลนะแ ต, แต่ผู้ทําไม่มีนิพพานมีอยู่แต่คนผู้นิพพานน่ยไม่มีหมายความว่าสภาวะนิพพานที่ดับวัตถุทกมีอยู่แต่บุคคลเนี่ยนิพพานไม่มีนะบุคคลนิพพานไม่มีก็คื อ, คอสัตบุคคลนิพพานเนี่ยไม่มีหรอกทางมีอยู่แต่ผู้เดินทางน่ยไม่มีโอ้โหไงปุณทางก็คือมัชฌิมาปฏิปทานนี่มีอยู่ เช่นสัมมาทิฏฐิมีอยู่ใช่ไหมความเห็นชอบเนี่ยสัมมาสังกปะความดําริชอบเนี่ยสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมากรรมตะการกระทําชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายมะเพียรพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบมัชิมาปฏิบัติเนี่ยทางนมีอยู่พระมาณนั้นแต่ผู้เดินบุคคลที่เดินทางไม่มีใช่ไหม พเพราะตะเบยบอกสัตว์บุคคลนี้กําลังเดินทางอยู่มันไม่มีสัตว์บุคคลใช่ไหมแต่มีกระแสชีวิตคือขันห้าที่ดําเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทานามีอยูก่กระแสของรูปนามขัน5ที่ดําเนินไปสู่มัชฌิมาปฏิปท า, ามีอยูก่กระแสชีวิตของขันห้าที่มีสมาธิความเห็นถูกต้องเป็นต้นหรือที่ดําเนินไปตามศีลสมาธิปัญญ า, ามีนะแต่สัตว์บุคคลไม่มีอยู่จริงนี่แปลว่าอะไรท่านปฏิเสธสัตว์บุคคลปฏิเสธว่าสัตว์บุคคลไม่มี เพราะจริงๆมันไม่มีอยู่แล้วเพราะไปสมมุติเรียกขานกันเพื่อจะได้สื่อสารกันถูกเรียกขานกันได้แล้วก็ปฏิบัติต่อกันถูกเท่านั้นเองแต่ได้ว่าโดยสภาวธรรมเจาะให้ลึกลงไปแล้วเนี่ยไม่มีอยู่จริงสิ่งเหล่าเนี้พูดยากอไรแบบเนี้ยคาวามเข้าใจอย่างเงี้ยโอ้โหต้องเป็นสัมมาทัศนะที่ถูกต้องนึกว่าเห็นไหมตั้งแต่ทุกนั่นแหละมีอยู่ทุกมีอยู่ไหมมีอยู่แต่ผู้ทุกมีไหม เออไม่มีออ ไ, มมไอความง่วงเนี่ยมันมีอยู่ไหม <c oughs> ไอผู้ง่วงมีไหมไม่มี อ, อไม่มีอยู่ใช่ไหมมันเป็นขันห้ากระแสะของขันธาตุอยตายชาณะดาเนินไปอยู่จริ ง, รงเนี่ย <c oughs> นี่เป็นต้น <c oughs> ไอความโกรธมันมีอ ย, อยู่แต่คนผู้โกรธนั้นไม่มีความโลภมันมีอยู่แต่บุคคลผู้โลภไม่มีเนี่ยนะแต่ยถ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องพูดแบบภาษาของสมวาวธรรมเลยใช่ไหมไอความอาการที่นอนไม่หลับที่มันฟุ้งไปเรื่อยๆมีอยู่ แต่บคุคคลผู้นอนไม่หลับไม่มีถ้า <c oughs> เห็นอย่างนี้เราจะชื่นใจไหมเราเห็นเป็นไรเรา อ, อยากพุ่งบ่อยๆใช่ไหมสากัดได้ไหมอะสากัดได้ไหมการพุ่งเนี่ยได้ไม่ได้ <c oughs> ได้เราฉลาดในเหตุปัจจัยไหมล่ะถ้าฉลาดในเหตุปัจจัยก็อย่าให้อาหารมันจะไปให้อาหารมันก็เกิดเรื่อยสิโยนิโสมนัสการเป็นอาหารความพุ่งโยนิโสมนสการเป็นปัจจัยความสงบ เราใส่ใจในความสงบได้ไหมใส่ใจในสมาธิได้ไหมใส่ใจในในความความดิ่งในรมเดียวได้ไหมถ้าใส่ใจได้มันก็ไม่พุ่งใช่ไหมล่ะเกิดอย่างประเด็นก็คือว่า ร, รู้รู้อาหารเราไปให้อาหารมันเนี่ยเช่นความโลภเนี่ยเราไปให้อาหารมันดิมันก็เกิดเช่นอโยนิโสมนสิการความไม่ไม่ฉลาดคิดเขาไปให้อาหารความกำหนัดความดีดีเพื่อผลไปใหญ่เลยใช่ไหมก็ยิ่งเกิด ความโกรธก็อาหารของมันก็คืออโยนิโสกิจการความไม่ฉลาดคิดเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยคือความเป็นผู้รู้ว่าอะไรควรไม่ควรทั้งนั้นความหลงก็ให้อาหารมันคือความไม่ฉลาดคิดเป็นต้นนั้นการมฉันทาพยาบาททีนะพิทักุทศเจ้ากุกุจาวิจิกิจฉาเนี่ยหตัวเนี่ยเราไปให้อาหารมันเกิดเลยให้อาหารความง่วงกว็ได้น้องเซ็งดิให้ความเซ็งเบื่อนายท้อไม่ ไม่เพียนพยายามไม่กระตือรือร้นเนี่ยไม่รุดไปข้างหน้าไม่บากบัน่นไม่ก้าวไปใจไม่สู้เนี่ยซุดเลยทีเนี้ยนีไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจในวิริยธาตุไม blonde, ่ใส่ใจปรัภอารัธาตุไม่ใส่ใจในนิกรรมธาตุไม่ใส่ใจในปรกรรมธาตุเือไม่ใส่ใจในรับปธาตุก็ไม่เพียนไม่เพียนที่จะออกจากความม่วงอย่งไปท้อถอยหัวถูใช่ไหมแล้วก็ไม่เพียนที่จะออกไม่ปาราบในการออกจากความม่วง แล้วก็ไม่ไม่ไม่เดินออกจากความว่างง่วแล้วก็ไม่พัฒนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เล่นงานนะอย่างนี้เป็นต้นหลักการมันมีอยู่การให้อาหารมันมีอยู่เนอะที่เราไม่ไม่ฉลาดในการให้อาหารมันก็ถูกมันครอบเนาะเป็นความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันเราไปให้อาหารมันก็เรียบร้อยก็เกิดสิ่งไม่เกิดได้ไงฉะนั้นตรงนี้บอกทุกนั่นน่ะแหละมีอยู่แต่ผู้ทุกขามีไม่การกระทํา ทางกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมมีอยู่แต่ผู้ทําไม่มีนิพพานมีอยู่ไหมมีสภาวะที่ดับกิเลสแล้ะระวจะ ท, ทุกมีอยู่นะแต่คนผู้นิพพานน่ยไม่มีเดินทางมีอยู่ไหมมัชฌิมาปิทาเดิทาง ด, ดําเนินไปสู่ความค้นทุกมีอยู่แต่ผู้เดินไม่มีไม่มีคือสัต บ, บุคคลที่ไปเดินไม่มีผู้ทํากรรมก็ไม่มีผู้เสวยผลก็ไม่มีมีแต่ธรรมะทั้งหลายล้วนๆเท่านั้นเป็นไปอยู่นี่เป็นกระบวนการอย่งธรรมะเนะ อย่างนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นสมาธิฐานะเมื่อกรรมและวิบากคือผลของกรรมพร้อมทั้งเหตุเนี่นะเป็นไปอยู่อย่างนี้ต้นปลายก็ไม่เป็นที่รู้ได้เหมือนดังกรอนก่อนหรือหลังแห่งเมล็ดพืชของต้นไม้เป็นต้นแม้ในอนาคตเมื่อสังสาระยังมีอยู่ก็ยังมองไม่เห็นการที่จะเป็นไปของกรรมและวิบากที่พวกเดรถีเนี่ยไม่รู้ความข้อนี้จึงไม่เป็นอิสระ คว่าเป็นอิสระเนี่ยก็เรียกว่าอสยังวสีเนี่ยไม่มีอำนาจใน ต, ตนหรือไม่เป็นไม่เป็นตัวของตัวเองต้องขึ้นต่อผู้อื่นด้วยการยึดถือที่ผิดผิ ด, ผดเพื่อกลุ่มเดรธีเป็นอย่างนี้นะไม่เป็นตัวของตัวเองต้องยึดถือในสิ่งที่ผิดผิดเอาความเชื่อไปฝากไว้ใช่ไหมเอาทิฏฐิเอาความเห็นไปฝากไว้กับสิ่งต่างๆก็เหมือนคนบางคนก็ไปเชื่อลัทธิการเมืองลัทธิอะไรต่างการปกครองลัทธิ อะไรต่ระบอบต่างๆนี้ก็เอาความเชื่องตัวเองไปฝากไว้เนี่ยเพราะเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระเป็นอาศยางวาสีไม่มีอำนาจในตนหรือไม่เป็นตัวของตนเองต้องขึ้นต่อผู้อื่นด้วยการยึดถือผิดๆอ่ายึดถือโดยสตัดสัญญาความสําคัญหมายว่าเป็นสัตว์บุคคลแล้วก็ก็เห็นเป็นไปว่าเที่ยงแท้ยั่งยืนบ้างเป็นสัตสตสตาบ้างก็ว่าคาศูนย์บ้างเป็นอุเฉทักไหมบางพวกกระพากันถือทิฏฐิหกเนี่ยขัดแย้งกันและกัน บางพวกก็ถูกมัดด้วยเครื่องพันธนาการคือทิฏฐินี่แหละเป็นความเห็นที่ผิดนี่แหละถูกไอความเห็นที่ผิดมัดพันธนาการเขาไว้ทิฏฐิมีตั้งหกอนี่มัดหมดออกจากมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เหมือนคนถูกมัดเน่ยเคเห็นไหมมัดคดคูอยู่งั้นเลยแก้ไม่ได้บางงั้นแต่มือก็ถูกมัดเท้าก็ถูกมัดลําตัวก็ถูกมัดมัดคุดคู้อยู่งั้นเลยทิฏฐิมัดอยู่ตัวเองก็วนอยู่กับทิฏฐิกอดอยู่กับทิฏฐิกอดลัดพัดเวียนอยู่กับทิฏฐิความเห็นที่ผิดผิดพลาดอยู่งั้นเลย ขัดแย้งกันละกันบางพวกก็ถูกมัดด้วยเครื่องพนาการที่ทิถถูกกระแสของตัณหา ค, คือความอยากพัดพาไปเออไม่ไม่เป็นไปตามกระแสะของปัญญาแล้วไม่เป็นไปตามกระแสะของศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเป็นไปตามกระแสะของตัณหามาน่าทิถิโดยเฉพาะกระแสะของตัณหาก็พัดพาไปบุคคลเหล่านี้ก็ไปตามกระแสตัณหาต้องการอะไรก็แสหาแสวงหาก็ไ ป, ป, re, ไปทิน้นลนไปเนี่ยถูกตัณหาพัดพาไปเรื่อยเรื่อยรื่อยเนี่ยเมื่อล่องลอยไปตามกระแสของตัณหา ก็ไม่สามารถพ้นจากชาติทุกข์คือความเกิดชร า, าทุกข์คือความแก่พยาธิทุกข์คือความเจ็บไข้มรณะทุกข์คือความตายไม่สามารถที่จะพ้นไปจากความโศกความร่ำไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจและความกังวลใจไปได้เนีก่กคืตันหานี่พัดพาไปอย่างนี้แหละก็ล่องลอยไปตามก็ไม่สามารถจะพ้นจากชาติทุกข์ชร า, าทุกข์เป็นต้นได้ชีวิตก็เจ็บปวดนี่ในสังสารวัฏก็เจ็บปวดใช่ไหมเพราะเป็นไปตามกระแสของตันหาและทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้แล้ว ส่วนภิกษุเป็นพุทธสาวกรู้กระจ่างชัดตามความข้อนี้จอมเป็นผู้มีใจที่ปรุปโปรงแทงตลอดกถึงปัจจัยที่ลึกซึ้งละเอียดแล้วก็ว่างเนี่ยก็เข้าใจความเป็นจริงก็ไม่ถูกกระแสของทิฏฐิไม่ถูกกระแสของตัณหาเนี่ยพัดพาไปถ้าเราเป็นอย่างนี้ยังถ้าเป็นอย่างนี้โอ้โหก็น่าชื่นใจเลยแต่เนี่ยเอตอนนี้เจาะลงไปอีกหน่อย กรรมไม่มีอยู่ในวิบากวิบากก็ไม่มีอยู่ในกรรมทั้งสองอย่างนี้ว่างเปล่าจากกันนะแต่ถ้าปราศจากกรรมและผลก็ไม่มีเหมือนว่าไฟก็ไม่มีอยู่ในแสงแดดไฟนะไฟไม่ใช่อยู่ในแสงแดดไม่ใช่อยู่ในแว่นแก้วแว่นแก้วก็คือไอเลนที่มันนูนๆขึ้นมาที่ทําให้ไฟมันเกิดขึ้นได้ไฟก็ไม่อยู่ในมูลโคแห้งที่ควายแห้งๆเออที่วัวแห้งๆไม่ใช่ไ ม, ม่คือไม่ใช่เป็นเชื้อเพลิงว่าแค่ไหน แต่ก็ไม่ใช่อยู่ภายนอกจากวัตถุทั้งสามนั้นถามว่าไฟเนี่ยไฟเนี่ยอยู่ในแสงแดดไหมไฟอยู่ในแว่นแก้วไอแว่นที่เขาไว้สองแล้วมันจะมีแสงสะท้อนออกมาแล้วสามารถทําให้ไฟติดได้นะเอาไฟมันอยู่ในนั้นไหมไฟไม่ไอยูออ่แล้วไฟอยู่ในอ อ, อยู่ในขี้วัวที่แห้งๆไหมที่เขาใช้เป็น เชื้อเพลิงอยู่ในฟางแห้งๆไหมไม่ไม่ได้อยู่ใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่อยู่ภายนอกจากวัตถุทั้งสามนั้นใช่ไหมอ้าวหมายความว่าถ้าจะทําให้ไฟเกิดขึ้นเนี่ยต้องอาศัยแสงไหมแ้งแดดไหมถ้าจะทําไฟให้เกิดขึ้นต้องอาศัยแว่นที่นูนๆสองไหมใช่ต้องอาศัยเชื้อเพลิงมีขี้วัวแห้งๆหรือฟางหรือเชื้อไม้แห้งๆเป็นต้นใช่ไหมต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ใช่ไหม ไฟมันจะเกิดขึ้นมาได้เห็นไหมถ้าเอาไม้แห้งๆเนะี่ยมาสีกันพอได้เหตุปัจจัยแล้วไฟเกิดไหมไฟมันเกิดนะแต่ว่าให้อยู่เฉลยว่ามันไปอยู่ในนั้นไหมไฟอะ่ะไม่มีมแล้วอยู่ภายนอกไหมไม่ได้อยู่ไม่อยู่ภายนอกแต่อาศัยเหตุปัจจัยมาประชุมกันเมื่อไหร่แล้วได้เหตุปัจจัยแล้วไฟก็เกิดขึ้นในกรณีแบ บ, น, แ บ, บ น, นีกรรมก็มปอยู่ในวิบากวิบากก็อยู่ในกรรม กรรมกับผลของกรรมคนละส่วนแต่ถ้าไม่มีกรรมผลของกรรมก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือการพูดเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้นะนี่ต้องเข้าใจในลักษณะอย่างนี้แต่ไม่ใช่อยู่ภายนอกหากเกิดการประกอบพร้อมกันเข้าชั้นใดวิบากก็หาไม่ได้ที่ภายในกรรมนะแต่ภายนอกกรรมก็หาไม่ได้ส่วนกรรมเล่าก็ไม่มีในวิบากกรรมว่างจากผลผลก็ไม่มีในกรรมแต่ผลก็อาศัยกรรมนั่นแหละเกิดขึ้นจากกรรมนั้นชั้นใด แท้จริงในกระบวนการแห่งสังสาระสังสารวัตนะเทพก็ตามเทวดานะพรหมก็ตามผู้สร้างสัง ส, งสาระหามีไม่มีแต่ธรรมะทั้งหลายล้วนๆเท่านั้นเป็นไปอยู่ด้วยอาศัยการประชุมพร้อมกันของเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยนี่ท่านต้องการพูดอะไรต้องการพูดเหตุปัจจัยสาคัในเรื่องเหตุปัจจัยเนี่ยนั้นพูดว่าการประชุมพร้อมหลายเหตุปัจจัยธรรมชาตินี้มีเหตุเกิดขึ้นครั่งพร้อมแล้วอย่างนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยง ครอนแคลนเป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืนด้วยทำทั้งหลายก็เกิดจากทำทั้งหลายโดยเป็นเหตุกันนะในกระบวนการความเป็นไปนี้จึงไม่มีทั้งตัวตนอัตตาไม่มีทั้งตัวอื่นด้วยมีนเป็นไปลักษณะนี้ทำทั้งหลายเนะี่ยทำทั้งหลายยังทำทั้งหลายเกิดขึ้นโดยความประกอบพร้อมกันกันเหตุปัจจัยนะพระเจ้ากระทรงแสดงธรรมเพื่อความดับแห่งเหตุทั้งหลายเมื่อเหตุทั้งหลายระงับไว้วงจรแห่งวัตตา วงจรอย่างสังสารวัฏก็ขาดก็ไม่หมุนอีกต่อไปชีวิตอันประเสริฐหมายถึงการคือพรหมจรย่อมมีเพื่อการทําความย่อมมีเพื่อการทําความจบสิ้นแห่งพุกอย่างนี้แหละเมื่อหาตัวสัตว์ก็ไม่ได้จึงไม่มีทั้งขาดศูนย์ไม่มีทั้งเที่ยงแท้และยั่งยืนเห็นไหมไม่มีเหตุสัตว์ไม่มีเมื่อสัตว์ไม่มีอัตราตัวบุกตัวตนทั้งหลายบุคคลไม่มีเนี่ยความเที่ยงแท้และความยั่งยืนก็ไม่มีใช่ไหมความเที่ยงแท้และความขาดศูนย์ก็ไม่มี เพราะกระบวนการทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่มีกล่าวโดยสรุปโดยอนัตตาเนี่ยทำให้เกิดความกระจ่างชัดเจนขึ้นก็คือว่าประการแรกก็คือพุทธศาสนาคําสอนที่ถูกต้องก็คือปฏิเสธทั้งรัฐที่เชื่อว่าเที่ยงที่เป็นสัตว์วัฏะรัฐที่เชื่อว่าขาดศูนย์ที่เป็นอุเฉทวะทะมีปฏิเสธไหมเพราะเที่ยงและไม่เที่ยงเนี่ยมีอยู่จริงหรือไม่จริงมันไม่จริงไงนะ ไอ้กหมายวองเที่ยงและขาดศูนย์เนี่ยไม่มีอยู่จริงประการต่อมาปฏิเสธลัทธิที่เชื่อว่าเทพเจ้าสูงสุดเป็นผู้สร้างโดนบันดาลกําหนดโชคชะตาชีวิตของมนุษย์เป็นอิสระนิมานะวาทะแห่พุทธศาสนาก็ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นประการต่อมาเป็นเครื่องสนับสนุนหลักกรรมตามความหมายของคําสอนพระเจ้าพร้อมกันนั้นก็ปฏิเสธลทัทธิที่เชื่อว่าการกระทําไม่มีผลทําไปไม่เป็นอันทําเป็น อาคียาวาทะปริเสตละทิกรรมเก่าด้วยปเุเพกตวาท้าด้วยพวกละที่นิครนเนี่ยเชี่ยวทุกนีว่าทดใช้กรรมเนี่ยนะปริเสตละทิกรรมแบบมีอัตมันด้วยละทิกรรมแบบมีวั น, นะเช่นฮินดูทั้งหลายปริเสตละทิเสียงโชคที่ถือว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างเลื่อนลอยที่ได้มาก็บังเอิญไม่มีเหตุปัจจัยเนี่ยเป็นปริเสตละทิอิทธิกาวาทักแล้วปริเสตละทิที่ถือว่าไม่มีอะไรเลยเป็นนาติกาวาทักนั้นลักษณะ แห่งธรรมะก็คือธรรมที่สูงสุดก็คือจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาก็หมายถึงว่าซึ่งต่างจากลัทธิของศาสนาอาัอาตามวาวะก็คือลัทธิที่ถือว่ามีอาตามันหรืออัตตาเช่นศาสนาฮินดูเป็นต้อนอยู่พระเจ้าปฏิเสธลักษณะทั้งสามที่พระเจ้าสอนก็เลยสอนในเรื่องของคําว่าอนิจจังความไม่เที่ยงทุกข์ขังแล้วก็ความที่เบียดเบียนบีบคั้นอนัตตานี่นะก็ความไม่ไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนเนี่ยนะตรงนี้ก็คือ ภาวะที่องค์ประกอบทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็สลายไปเกิดขึ้นกระสายไ ป, ยไ ป, งไปองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้กระบวนการธรรมะนี่มีคงที่อย่างนี้ก็เรีย ก, กอนิจจตาภาวะที่มีเทีย่ยงอย่างองค์ประกอบมาไปชุมรวมกันก็ยิงอยู่เกิดขึ้นไปเบียดเสร็จทั้งหมดเหล่านี้ก็มีการแตกสลายอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมไม่คงไม่คงทนไม่คงตัวไม่ถาวรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาองค์ประกอบทั้งหลายมาไปชุมกันจริงแต่องค์ประกอบเหล่านั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาลักษณะนี้เรียกอนิจจตาความไม่เที่ยง ภาวะที่องค์ประกอบทั้งหลายหรือกระบวนการธรรมะทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดถูกบีบคั้นด้วยความเกิดสลายต้องผันแปรไปทนอยู่ในสภาพเดินไม่ได้ไม่คงตัวนี่นะบีบคั้นไม่คงตัวเนี่ยอันนี้เป็นทุกขตาภาวะที่ความเป็นทุกข์ภาวะที่เกิดองค์ประกอบทั้งหลายเหล่านั้นที่ประบวลกันขึ้นนะ่ยไม่มีตัวแกนถาวรที่จะบงการต้องไปไปตามเหตุปัจจัยไม่เป็นตัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นอนัตตาที่หลักการครูพระเจ้าสอนอย่างนี้ นี่นี่พอมองเห็นเอาแต่นี้ดูคําว่าอัตตาอนาตตาเนียในสุตตานิบาตมีพุทธพจน์ที่ตรัสถึงพระอรหันต์ผู้บรรลุจุดหมายแห่งชีวิตสูงสุดเข้าถึงความประเสริฐแล้วเนี่ยที่ปฏิบัติถูกทางเป็นผู้ที่ไม่มีอัตตาและนิรัตตาอัตตังและนิรัตตังเนี่ยแปลเป็นไทยก็คือว่าไม่มีทั้งอัตตาและไร้อัตตาหรือไม่มีทั้งตัวและไร้ตัวนี่แหละนี่ คำพีในสตานิบาในคำภีหมานิเทศอธิบายคําว่าอัตตาอัตตังเนียว่าได้แก่อัตนะาอตาทิฐิอัตตาทิฏฐิก็แปลว่าความเห็นว่าเป็นตัวตนหรือสัจสตาทิฐิที่เห็นว่ามีตัวตนคงที่นี่แหละเที่ยงแท้ยังง่งยืนคงตัวอตลอดไปและคําว่านิรัตตานิรัตตังเนี่ ย, ยก็ได้แก่อะไรอุเฉตทิฐินะมีความเห็นว่าตัวตนขาดศูนย์ ในเหนือทีบายว่าอัตตาหรืออัตตังเนี่ยว่าได้แก่สิ่งที่ถือไว้หรือสิ่งที่ยึดถือและนิรัตตานิรัตตังนิรัตตังก็ได้แก่สิ่งที่จะต้องละหรือปล่อยถือใจความอย่างนี้พระอรหันต์เนี่ยท่านเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องแล้วแตนเนี่ยหรือท่านเป็นผู้มีปัญญาถูกต้องแล้วก็ย่อมไม่ไม่มีทั้งความยึดถือตัวตนและทั้งความยึดถือว่าไม่มีตัวตนนะท่านขาดมดคือท่านตัวตนขาดศูนย์เนี่ยการยึดถืออย่างนั้นทำไมยึดถือ ไม่มีทั้งสิ่งที่ยึดถือเอาไว้และทั้งสิ่งที่ต้องละต้องปล่อยหรือต้องสลักทิง้งก็แปลว่าเนี่ยความเข้าใจของท่านเน่ยท่องแท้อัตราตัวตนเนี่ยท่านฉลาดกับสิ่งเหล่านี้แล้วอัตราตัวตนสมบุติทั้งหลายท่านก็ไม่ติด ก, กับมันในคัมภีหมานิเทศท่านอธิบายบอกว่าผู้ใดมีสิ่งที่ยึดถือไว้ผู้นั้นก็สิ่งที่จะต้องปล่อยละผู้ใดมีสิ่งที่จะต้องปล่อยละผู้นั้นก็มีสิ่งที่ยึดถือไว้ท่าอทหารเนร่วงพน้นการยึดถือและการปล่อยละไปแล้วว่างั้น ในความเข้าใจในพุทธพจน์จะช่วยให้เข้าใจความหมายหลักอนัตตาครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจนผุโดูชนเนี่ยผู้ดูชนที่ไม่ได้สดับนีไม่ได้ฟังคําสอนของพระรยเจ้าไม่ฉลาดในคําสอนของพระรยเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็มีความยึดถือในตัวตนอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ยึดถืออย่างหยาบๆด้วยอย่างที่พวกเราเป็นกันๆ น, นี่แหละถืออารูปคือร่างกายว่าเป็นตัวตนถ้าคิดลึกลงไปก็เห็นว่าร่างกายเป็นตัวตนไม่ได้ ก็มีความเปลี่ยนแปลงได้เห็นได้ชัดตรงๆ อ, อยู่ก็เลยเลื่อนไปบอกว่างั้นไม่ยึดและไม่ยึดแล้ร่างกายเป็นตัวตนแล้วบางกลุ่มก็ไปยึดถือนามมาทำยึดถือนามมาทำเลยนะบางคนก็ไปยึดความรู้สึกนี่แหละเป็นตัวตนสุขทุกเนี่ยเป็นตัวตนบางคนไปยึดเอาความจํานี่แหละเป็นตัวเป็นตนไปบางคนก็ไปยึดเอาความรู้สึกชอบไม่ชอบนี่แหละเป็นตัวตนเพราะงั้นเธอดีไม่ดีนะ และบางกลุ่มก็ไปยึดเอาความฉลาดความรับรู้ทั้งหลายเป็นตัวอัตตาตัวตนก็เลยยึดถือเอาขันใดขันหนึ่งนี่แหละเป็นอัตตาบ้างเป็นตัวตนบ้างบางคนก็ยึดแบบรวมๆเอาขันห้าทั้งหมดว่าเป็นอัตตาตัวตนก็ต่างกันออกไปใช่ไหมการยึดถือของมนุษย์ก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็ยึดหยาบบางคนก็ยึดละเอียดลงไปบางคนที่มัยังไม่ได้สระคำสอนเอาเลยสักนิดหน่อยนี่ยึดแบบหยาบหยาบเลยว่างั้นเถอะยึดแบบรวมๆหยาบหยาบ ถ้าได้ศึกษารายละเอียดไปเรื่อยๆหรือได้ฟังได้คิดได้เจาะลึกลงไปเฮ้ยเราจะไปยึดได้ยังไงเนี่ยรูปกายนี่พอเป็นตัวตนแล้วมันเปลี่ยนอยูต่ตลอดเวลาอย่าไปยึดเลยแต่ยึดนามมาทํำมาจ ọ n ไปที่จิตใจอ่ะโอ้ยยังจิตใจยึดได้นี่ <S S S S S อืยใช่ไหมไปยึดในจิตใจแล้วใช่ไหมความรู้สึกบางทีเอาความจําเป็นตัวต น, น, นเนี่ยฉันจาได้เราจําได้เหมนนีฉันเห็นฉันได้ยินโหยึดหมดเลยเห็นอะไรไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมันเข้าไปยึดได้หมด เพราะปัญญาไม่ทำการนี่เป็นอันตรายไหมเนี่ยไม่คิดแบบแยบยนไม่ลึกซึ้งนะถ้าคิดอย่างแยบยนลึกต่อไปว่าร่างกายและจิตใจหรือขันห้าเป็นตัวตนไม่ได้แต่มีตัวตนอยู่ต่างหากเป็นอัตตาหรือเป็นอาตามันที่แท้จริงเป็นแก่นเป็นแกนของชีวิตซ้อนอยู่ภายในขันห้าหรืออยู่ภายนอกขันห้าแต่เป็นตัวครอบครองควบคุมอีกชั้นหนึ่งบางคนบอกโอ้ขันห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวตนหรอก รวบรวมทั้งหลายเนี่คิดลึกแล้วไปแล้วเนี่ยแต่มันมีอยู่เนี่ยมันมีอยู่มันมีตัวบงการอยู่มีมีตัวแก่นตัวแกนวงการอยู่ในกระแสชีวิตนั้นที่มาคอยควบคุมขันห้าอีกทีนึงเฮ้ย น, นี้ยึดหนักลงไปแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมเราเป็นแบบไหนอ่ะเราเป็นแบบหยาบหยาบไหมยึดแบบหยาบหยาบว่าเป็นตัวตนไหมยึดแบบรวมรวมทั้งหมด <c oughs> นาอีกกลุ่มหนึ่งอ้ายึดรูปธรรมรูปรูปธรรมไม่ใช่ตัวตนเราแต่กลุ่มนามมาทําสิ กุมจิตใจเป็นตัวตนได้เพราะไอ้กลุมรูปธรรมมันไม่เที่ยงแต่ความคิดจิตใจเนี่ยมันเที่ยงแท้แน่นอนอมันยึดลงไปอีกน ะ, ะเนี่ยก็ไปยึดบางกลุ่มก็ยึดไอ้อสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งในความรู้สึกของตนเองไงบางคนไปยึดเอาความจําเป็นอัตร า, าตัวตนบางคนไปยึดความรู้สึกเป็นอัตราตัวตนบางคนไปยึดในการเห็นเป็นเต้นเป็นอัตร า, าตัวตนบางคนไปยึดปัญญาเป็นอาัตร า, าตัวตนยึดความโกรธไม่โกรธเลกว่าไปใช่ไหมนี่บางคนเลยไปกว่านั้นไปขันห้าเนี่ยกระแสชีวิตไม่ใช่อัตราตัวตนอกแต่มีแก่นอยู่ มีอัตรามีตัวตนเป็นผู้บงการอยู่คอยคอนโทรอยู่นะมันลึกๆไปเนะ่ะไอ้ขันห้านี่ไม่เที่ยงนะแต่อัตราตัวตนเป็นผู้วงการไอ้แกนหลักอยู่แกนหลักเป็นแก่นเป็นแกนข้างใ น, นไอ้ตัวนี้เที่ยงเหมือนกนคอยบงการอยู่พอตายพวกขันห้าตายจริงไอ้แต่ตัวนี้ใหม่ไอ้ตัวนี้มันจะร้องร้องรอยไปไปควบคุมขันห้าอื่นมันเจาะเข้าไปง่ายนะเราเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยยี่อีบงพวกไม่มอย่างนั้นแหละ ไม่ใช่ไม่ว่ามีไม่ไม่ได้มีอัตตาหรืออัตมันอยู่ภายในตนมีอัตมีอัตตาอัตมันสูงสุดด้วยมีปรมาตมันมีมีอัตตาปรมาตมันสูงสุดจะเป็นพรหมมันบ้างเป็นเป็นเป็นเทพเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเมื่อคอยคอนโทรอีกทีหนึ่งกํากับอัตตาตัวตนชันเนี้มีอัตตาสูงสุดมีตัวตนสูงสุดมีผู้เป็นใหญ่สูงสุด มาคอยควบคุมบรรดาอัตตาทั้งหลายหรือสัตว์บุคคลทั้งหลายโอ้โหเนี่ยซับซ้อนอย่างนี้นี่แหละถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วเราจะเห็นน่นะว่าเจ้ารัฐที่หรือนักปราดญเจ้าปัญญาผู้สามารถทั้งหลายก็พากันคิดหาตัวตนในแง่โยงเข้าหาการค้นหาสภาวะที่มีอยู่ที่สุดท้ายก็คือ ก็คือว่าในขั้นสุดท้ายก็คือตัวสัจธรรมหรือบ ร, รมธรรมนี่แหละบางท่านก็ประกาศว่าตัวตนเองได้เข้าถึงสภาวะที่แท้จริงแล้วอันเป็นตัวแท้จริงอันเป็นอัตตาหรืออาตมันสูงสุดที่บัญญัติว่าปรมาตมันบ้างพรหมมานบ้างพระผู้เป็นเจ้าบ้างก็ยอมรับว่าลัทธิหรือนักปราชญาเหล่านั้นก็เป็นเจ้าของความคิดสูงสุดมีความรู้ความสามากก็ว่ากันไปนะนะเป็นสมณพราหมณ์บ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปเป็นเจ้าทฤษฎีชั้นพรม ภาวะที่ท่านเหล่านั้นเข้าถึงก็ปราณีตลึกซึ้งแต่แตราบใดที่สภาวะนั้นยังมีความเป็นตัวตนอยู่หรือยังเป็นเรื่องของอัตตาตัวตนก็พึงเข้าใจว่าไม่ใช่สภาวะที่แท้จริงนัไม่ใช่ปรมา ธ, ธรรมไม่ใช่บรมธรรมเพราะยังถูกครอบควบคุมและยังพัวพันด้วยความยึดติดยึดมั่นถึงมั่นอยู่อันนี้ยังจัดว่าไม่ใช่สูงสุดอันนี้เดี๋ยวไว้ต่อช่วงบ่าย วันนี้จะนานไปหน่อยมีใครสงสัยอะไรไหม